กล่าวถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะบดว่าอารหังทีนี้มาดูนัยยะที่สองนะตามนัยยะแห่งดีกาว่าบทว่าอารหังนี้บัณฑิตเพิ่งเห็นแม้อื่นอีกดังต่อไปนี้ว่าพระองค์นี้เป็นผ้าอรหังเพราะเป็นผู้ไกลไนีไน่ไไกลเหมือนกันแต่ว่าไกลาจากผู้มีปัญญาสามทั้งหลาย ครั้งก่อนนี้พูดถึงไกลไกลาจากกิเลสใช่ไหมอันนี้ไกลคนมีกิเลสมั้งในนยตที่สองบอกว่าเพราะทรงเป็นผู้ใกล้ต่อผู้รู้แจ้งทั้งหลายใกล้ต่อบัณฑิตสก็ทรงละบาปธรรมอันควรละเว้นได้เด็ดขาดสี่เพราะทรงเป็นผู้อันท่านผู้รู้ทั้งหลายไม่ละเวน้นห้าเพราะไม่มีการไปในพบทั้งหลายห เพราะเป็นผู้ควรสรรเสริญทีนี้อธิบายในที่หนึ่งว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์เพราะความเป็นผู้ไกลจากผู้มีปัญญาสามทั้งหลายเนี่ยนะคือไกลจากคนเข่าทั้งหลายนั่นเองพระผู้มีพระภาคพระนามว่าพระอรหันต์เพราะอัตถาว่าเพราะภาวะที่ทรงเป็นผู้ไกลอธิบายว่าเพราะภาวะที่ทรงอยู่ ห่างไกลแสนไกลเหมือนกันแทนไกลมากเหมือนกันไกลขนาดไหนอ่ะก็สองพันกว่าปีแล้วอ่ะไกลขนาดนั้นแหละถามว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์เพราะภาวะที่ทรงอยู่ห่างไกลแสนไกลถามว่าไกลจากใครตอบว่าเพราะความที่ทรงอยู่ไกลแสนไกลจากผู้ไม่ได้อบรมกายเนี่ยนะไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมปัญญาเหล่านั้นเนี่ยนะ คือคนที่ไม่ได้เจริญภาวนาเลยนะไม่มีกายภาวนาศีลภาวนาจิตตะภาวน า, า, วนาปัญญาภาวนาไม่มีสักอย่างเลยนะพราะองนี้ไกลจากคนทั้งหลายเหล่านี้พูดถึงคําว่าไม่ได้อบรมกายบางแห่งเนี่ยนะการเจริญอาการสามสิบสองก็ชื่อว่าอบรมกายอีกบางนายนั้นคําว่าอบรมกายนั้นหมายถึงปัญจทวารเนี่ยนะปัญจทวารวิถีเนี่ยไม่ได้อบรม หมายคือว่าเห็นก็โลภะโทสะเกิดเลยได้ยินก็โลภะโทสะโมหะเกิดรู้กลิ่นก็โลภะโทสะโมหะเนี่ยนะรับรู้รสก็โลภะโทสะโมหะอันนี้เรียกว่าคนที่ไม่ได้อบรมกายเนี่ยนะหมายคือว่าในปัญจทวานี้ไม่เคยฝึกเลยนะไม่เคยฝึกว่าเอ้ยเห็นยังไงเป็นกุศลเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าคนไม่ได้อบรมกายสรุปแล้วรับทุกทวานไม่กิเลสเกิดหมดเลยเนี่ยนะ ทุกทุกทวารนะไม่โลภะก็โทสะไม่โทสะก็โมหะถ้าคนที่ไม่ได้อบรมศีลก็คือไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมวาจาคือไม่ได้อบรมวินยติรูปนะคือเจตนาซึ่งเป็นสมุธฐานของวิญญยต์อะเจตนาที่เป็นสมุธฐานของกายยะวิญยต์เนี่ยนะเขาเรียกว่ากายกรรมเจตนาที่เป็นสมุธฐานแห่งวจีวิญยต์อันนั่นแหละเป็นวจีกรรมน่ยนะมันไม่ได้อบรม เจตานาซึ่งเป็นเหตุให้เป็นเหตุพูดเป็นเหตุล่วงมาทางกายทางวาจาเลยเนะี่ยคือไม่ได้อบรมว่าจิตที่เป็นสมุทฐานให้ล่วงมาทางกายและก็ล่วงทางวาจานี่ยนะเป็นกุศลเมื่อไม่ได้อบรมก็เป็นไปกับอกุศลตลอดนี่นะก็คือไม่เจริญศีลและสิกขานั่นเองไม่เจริญอทีิศีลและสิกขาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกลายเป็นคนที่มีกายวาจาที่ไม่มีรั้วรอบขอบจิตเนี่ยนะ ไม่มีศีลเนี่ยเป็น yol, รัน้วทั้งหลายไม่มีกุศลธรรมเป็นรั้วทั้งหลายก็เลยปล่อยกายปล่อยวาจาเป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลถ้าคนที่ไม่ได้อบรมจิตก็คือไม่ได้อบรมสมถภาวนาเป็นต้นนั่นเองนีไม่ได้อบรมสมถภาวนาไม่ได้เจริญพุทธานุสติกรมรมทานธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติเป็นต้นเลยไปได้ฝึกจิตให้เป็นไปกับกุศลให้ยาวๆเลยพวกเหล่านี้เขาเรียกว่าไม่ได้อบรมจิต ส่วนผู้ที่ไม่ได้อบรมปัญญาก็คือผู้ที่ไม่ได้อบรมกรรมมสกตาปัญญาหรือว่าวิปัสนาปัญญาทั้งหลายนี่ยนะกรรมมสการตาปัญญานี้ต้องอบรมนีให้เกิดเองไม่เกิดหรอกมันต้องหมั่นฝึกมันพิจารณาไข้ครวนมากมากกรรมมสกตาปัญญาจึงจะเกิดเนี่ยนะทีนี้ถ้าพื้นฐานกรรมมสกตาปัญญาดีวิปัสนาปัญญาก็จะเกิดตามด้วยตามไปด้วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอบรมคือต้องทําให้มีขึ้นเนี่ยนะ ภาวนาภาวิตโตเนี่ยนะทำให้เจริญขึ้นทําให้เกิดก่อนแล้วก็ทําให้เจริญขึ้นต่อๆไปเรียกว่าภาวนานี้ถ้าหากว่าผู้ที่อบภาวนาทั้งทางกายทางวาตาทางใจก็ใกล้ต่อพระพุทธเจ้าแต่นี้พูดถึงคนที่ไม่ได้อบรมภาวนาเนี่ยนะไกลาจากพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันหนึ่งทรงเป็นผู้อยู่ไกลแสนไกลจากชนผู้ไม่ได้ละราคะเนี่ยนะ คนที่ไม่ได้ละโทสะคนที่ไม่ได้ละโมหะคนที่ไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าผู้ที่ไม่ได้รับการแนะนําในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่เห็นธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ได้ปฏิบัติและปฏิบัติผิดพระพุทธเจ้ า, านี่อยู่ห่างไกลแสนไกลาจากคนเหล่านี้หมายนะว่าคนที่ไม่ได้ละราคะเนี่ยนะพระองค์เนี่ยอยู่ไกล ก็ชุมชนบางชุมชนที่หนาแ น, น่นไปด้วยราคาจริงๆริงนะถึงสมัยพุทธกาลพระองค์ก็ไม่เสด็จไปว่ากันนั่นนะพูดถึงสถานที่ที่มากไปด้วยโลภะเลยนะพูดแบบสถานที่รวมๆเช่นอันนะสถานที่ที่มากไปด้วยโลภะคืออะไรอันนะันนะเป็นต้นนั่นแนหะราวันนู้นอันนะถ้าซักสถานที่เหล่านั้นแม้แต่รูปปั้กายพระองค์ยังไม่ไปเลยวากันนั่นจะปลยกล่าวไปยายถึงสภาพจิตที่จะไปนึกซ่องเสพยิน ด, ดีเพลิดเพลินกับกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นบุคคลที่อยู่ในสถานที่เหล่านั้นเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ถ้าโดยรู ป, ปรกายก่อนนะพราะค์ก็ไกลาจากคนเหล่านี้อยู่แล้วอันั้นใครที่ปล่อยจิตใจเป็นไปกับราคะเพราะค์ก็ไกลาจากคนเหล่านี้นะอันนั้นถ้าเราจะเจริญพุทธคุณบทนี้นะว่าเวลาราคะเกิดบอกโอ้โหนี่เราอยู่ไกลพระพุทธเจ้าแล้วนะไกลสรณะแล้วนะไกลพระตนะตรายแล้วนะเหมือนกันอันนี้ก็เอามาฝึกได้นะหรือว่าโทสะเกิดก็เหมือนกันเนี่ยนะ พระพุทธเจ้านี้อยู่ไกลคนมีโทสะใช่ไหมคนที่มีโทสะปัทุสร้ายทางจิตบ่อยๆเนืองๆเนี่ยนะขณะที่โทสะเกิดพระพุทธเจ้าก็อยู่ใกลบุคคล น, นั้นแล้วเนี่ยนะทีนี้ถ้าอยู่พระองค์อยู่ไกลต่อบุคคลที่มีโมหะหรือที่มาไปด้วยโมหะโมหะคือความไม่รู้แปประการเนี่ยนะถ้าเมื่อไร่ที่ไม่ปาราลบธรรมะแปประการเป็นไปเนี่ยนะขณะนั้นแหละเป็นไปกับโมหสะสัส่วนใหญ่ทีนี้ถ้าเป็นไปกับโมหะเมื่อไหร่ ก็แสดงว่าพองอยู่ไกลสุขเวทนาเป็นเหตุใกล้แห่งกิเลสประเภทไหนสุขเวทนาเนี่ยทำปกติทั่วไปก็ใกล้ต่อราคะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้รับความสุขแล้วราคะเกิดพระพุทธเจ้าก็อยู่ไกลใกล้ใกล้หรือไกลย<ๆ>อยู่ไกลเราในขณะนั้นถ้าขณะไห น, น, นถ้าได้รับทุกขเวทนาโทสะเกิดอีกล้วพระพุทธเจ้าก็ไกลอีกแล้วเนี่ยนะถ้าเจออุเบกขาเวทนาทั่วทั่วไปเนี่ยนะ เบรขานิมิตเราก็เฉยใช่ไหมอันนี้ใกล้ต่อ oh. โมหะพระพุทธเจ้าก็ไกลเราอีกแล้วเนีย่ยนะเพราะฉะนั้ น, น, นดูถ้าจะรับอารมณ์ทุกๆอารมณ์แล้วไกลพระพุทธเจ้าหมดเลยอยงนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้ามองเห็นเสายังไงชื่อว่าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าอย่างไรชื่อว่าอยู่ไกลเนี่ยนะก็ต้องหมั่นฝึกแบบนี้บ่อยๆเนี่ยนะเราจะเห็นว่าเออเรานี้มั่นคงในพระรธรนะตรายจริงไหมยอย่างนั้นเหรนะเพราะว่าคนที่ถึงตรายสนนคมเนี่ยนะสุขติหวังได้ใช่ไหมนี่ถ้าหากว่านั่งอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยนะ มันจะไปสุขติได้ยังไงว่างั้นก็ถ้าปกติคนธรรมดาไม่ศึกษาธรรมะเห็นสาวก็เป็นก็โมหะนี้ไม่พ้นนะครับถ้าอย่างนั้นเราฝึกให้ผมดูตั้งนิดนะครับถ้าจะเห็นสาวแล้วเนี่ยไม่เป็นโมหะจะมีคําสอนตรงไหนบ้างครับเห็นแล้วไม่มีโมหะเลยนะครับคือถ้าเห็นเนี่ยนะถ้าตาลบถึงความงดงามใช่ไหมความงดงามอันะห แต่นี่เสาเนี่มันคนไปจับบ่อยเลยมันก็เลยไม่ค่อยงามแต่ถ้าพูดถึงเสาที่งดงามนี่นะทาสีสันที่วิจิตรหรือว่าที่มีสลักมีลวดมีลายเยอะๆเนี่ยนะที่นายช่างตกแต่งอย่างดีเนี่ยอันนี้โดยมากเป็นอารมณ์ของโลภะเนี่ยนะทีนี้ถ้าโลภะมันเกิดขึ้นในขณะนั้นอ่ะถ้าคิดนึกก็เป็นมโนโทูจริตใช่ไหมถ้าพูดชื่นชมในความงดงามมันนั้นก็เป็น วจีทุจริตถ้าถึงกับไปจับไปต้องมาขีดมาเขียนเป็นต้นเนี่ยนะมาถ่ายรูปบันทึกภาพเป็นต้นอันนั้นเป็น<อ>กายทุจริตเนี่ยนะทีนี้ถ้าหากว่าเห็นเนี่ยแหมโทสะเลยนะมาใครามาป้ายมือแหมประทับตาฝ่ามือไว้เต้ไปหมดเลยเห็นแล้วก็โทสะอันนั้นเป็นมโนทุจริตนะชาวนะในปัญจทวารวิถีเนี่ยนะเป็นมโนทุจริตเพราะฉะนั้นถ้าเห็นแล้วโทสะเกิดใ น, ในปัญจทวารวิถีก็เป็น มโนทุจริตก่อนถ้ามโนทวารวิถีเกิดขึ้นวจีวิญยัตเนี่ยนะถามหาเจ้าของลายมือเป็นต้นที่มาปั๊มเอาไว้นั่นนะนะอันนั้นเป็นวจีทุจริตแต่ ถ, ถึงกับเช็ดถูไปด้วยโทรสะไปด้วยบ่นไปด้วยเนี่ยนะทั้งกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตสลับกันไปเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าไม่สนใจเลยก็เป็นอันนะอุเบกขาอันนะอุเบกขานนี้ก็เนื่องจากอุเบกขาเวทนาซะส่วนใหญ่เนี่ยนะ อุเบขาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดให้เกิดโมหะเนี่ยนะถามว่าทำไมเพราะไม่รู้เหตุเกิดความดับอัศาธาอาทีนวะนิสารณะของผัสสยตนะนั้นเะนี่ยนะคือไม่ได้วิจัยเรื่องว่าผัสสยตนะเนี่ยนะก่อนเห็นเสาอันนั้นประกอบด้วยปัจจัยเท่าไหร่เหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้ผัสสยตนะนั้นเกิดขึ้นเหตุปัจจัยอะไรทาให้มีจักสูเหตุปัจจัยอะไรทำให้มีสีอันนั้น เหตุปัจจัยอะไรทําให้เกิดจากขูวิยญาณปัจจัยอะไรทําให้เกิดพัสสะปัจจัยอะไรจึงทําให้มีเวทนาแล้วปัจจัยอะไรจึงทําให้มีโมหะจึงไม่วินิจฉัยในสิ่งเหล่านั้นเมื่อไม่รู้เหตุเกิดของสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงอันนั้นก็เป็นเป็นโมหะเมื่อโมหะอวิชานุสัยก็เกิดขึ้นครอบงําท่วมทับเนี่นะเหมือนกับนอนเนื่องอยู่ในอุปนิในสันดานนั้นเพราะฉะนั้นรับอารมณ์ที่ไหนเมื่อไหร่โดยมากก็เป็นไปกับโมหะอีกเนี่นะ เพราะว่าโมหะเกิดขึ้นเนี่ยนะเขาเกิดแล้วเขาก็ดับไปก็จริงเ่ยนะหมดปัจจัยเขาก็ดับไปในขณะเดียวกันสะสมสันดานด้วยว่ากันสะสมอุปนิสัยที่จะเป็นแบบนี้ไปอีกเนี่ยนะสะสมอัธยาศัยเฉยเฉยสะสมอัธยาศัยไม่รับรู้สะสมอัธยาศัยไม่วิจัยเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นลักษณะนี้เขาเรียกว่าคนที่ไม่ได้อบรมปัญญาเลยนะเพราะไม่รู้เหตุเกิดความดับอาสาธาทีนวัตนิสนาณของสิ่งเหล่านี้อันนี้ลักษณะของอวิชชาที่เต็มตัว ก็เสาอะตัวเสานี่ก็เราเห็นเนี่ยแสดงว่าเราต้องทํากรรมอันี่เป็นวิบากนี่ทําให้เราได้รับวิบากทางตาเนี่ยนะก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วคือที่ที่เป็นวิบากของเราเนี่ยนะจิตเห็นนะที่เป็นวิบากอันนี้คือจิตเห็นจิตเห็นเป็นชาติวิบากจิตเห็นเป็นชาติวิบากซึ่งเป็นผลของกรรมมีเกลี้ยงได้ไหมครับคือ คือถ้าตามคําสอนเราเนี่ยนะไม่ได้เน้นว่าไปหลีกเลี่ยงกรรมหรืออะไรกรรมเนี่ยนะในขั้นของการวิจัยเนี่ยนะก็คือเอามาวิจัยสิ่งเหล่านี้ให้หมดเพราะว่าถึงหลบตาสีอันนี้ก็ไปเห็นสีอันใหม่อีกนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็วินิจฉัยซะวังนั้นเดี๋เอามาทําปริญญานะเอามาใคร่ครวนเอามาวิเคราะห์เอามาอบรมปัญญาเป็นอารมณปัจจัยของปัญญาไปเลยเนี่ยนะอันนี้ถ้าเราพูดถึงถ้าเห็นแล้วอกุศลไม่กลุ่มรุมอ่ะนะ เช่นถ้าโลภะไม่กลุ่มรุมโทสะไม่กลุ่มปรุมไปเนี่ยนะกิเลสไม่ครอบงาก็วินิจฉัยไปเลยไม่ต้องไปหลีกเลี่ยงอะไรแหมไปหาให้กุศลวิบากมันเกิดอัน น, นอากุศลวิบากเป็นเหตุใกล้ต่อโทสะใช่ไหมไปหากุศลวิบากเพื่อให้เกิดโลภะอีกนั่นก็สลับเพราะฉะนั้นที่พระ อ, องค์ตรัสว่าปู่ตูชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับวนี่นะเวลาจะแก้ทุกเนี่ยนะจะมีอะไรนอกจากการมมาสุข ก็เท่ากับว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งไหนสิ่งนั้นให้ความทุกข์ใช่ไหมก็ไปหาการ ม, มาสุขอันใหม่เดี๋ยนวะก็มาแก้อยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ถาวลอะไรเนี่ยนะก็คือไปสร้างปัญหาอันใหม่ขึ้นอ่ะนะปัญหาอันนี้ก็ไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้วิจัยอะไรเลยก็ไปหาปัญหาอันใหม่เข้ามาอีกก็วนอยู่ในลักษณะนี้เนี่ยนะทีนี้ถ้าหากว่าไม่คิดจะอบรมไม่คิดจะพิจารณาสแสวงหาเหตุหาปัจจัยเนี่ยนะ ขาะนั้นแหละเขาไกลพระพุทธเจ้าจริงๆถ้าหากว่าไม่มีอัทยาสัยแม้แต่จะน้อมเชื่อคำสอนเหล่านี้เลยนะนั่นแหละสนิทเลยว่าเขาของเก่าไม่มีมาจริงๆเลยนะแต่ทีนี้ถ้าจะช่วยได้ก็ทำบุญแล้วตั้งความปรารถนาเหมือนโยมบางท่านนะโยมจำได้มีอยู่คนหนึง่งพอได้ยินเสียงธรรมะปั๊บเนี่ยแกนั่งจะนั่งหลับทันทีเลยตื่นมาก็เป็นเพเจอร์อยู่อย่างนี้นนหลายปี เออตอนหลังนี่เป็นได้เงนินแกทําบุญเนี่ยเวลาแกาให้ทานตั้งความปรารถนาเพื่อให้มีปัญญาอย่างนั้นโอ้ยมันงโง่แท h, ้เขาบอกงั้นนะป่ารบถึงตัวเองอะมันทำไมโง่ขนาดนี้นาะไม่รู้อะไรกับเขาเลยอย่างงั้นเพราะฉะนั้นแต่ก็ชอบทําทานชอบให้ทานเวล า, าให้ทานก็เอาใหม่ทําบุญแนละ้วตั้งความปรารถนานะว่าขอให้มีสติมีปัญญากับเขาบาั่งให้รู้บ้างเถอะรู้ประธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าบ้างแต่แกก็ทําบุญแนละ้วตั้งความปรารถนาปัญญาขึ้นมานะ แล้ก็เห็นเออยังพอมีเข้าบ้างไอ้ตรงที่ทําบุญนละตั้งความปรารถนาแต่จะไปให้นั่งเขานั่งวินิจฉัยละเอียดละเอียดเขาทําไม่ได้ขีดความสามารถบางคนเท่านั้นอย่างจริงๆแต่ทีนี้ว่ า, าจะเอาบุคคลเหล่านี้มาเปรียบเทียบกับพระธรรมเนี่ยนะแย่ yeah, แน่เพราะว่าถ้าโดยธรรมดาแล้วเนี่ยนะโดยสภาวะแล้วเขากับพระรัตนตรัยนี่ห่างกันจริงๆไม่ใช่พระรัตนตรัยเนี่ยนะโอ้โ <c oughs> สามเปลี่ยนแปลงพระธรรมให้มันง่ายง่ายงายจะได้ไปใกล้เขาไม่ใช่ เขาต้องเป็นคนอ่อนไปหาระรตนะตรัยเนี่ยนะคนสกปรกเนี่ยนะต้องเอื้อมไปหาของสะอาดมืนั้นลไม่ใช่ให้ของสะอาดเนี่ยน้อมเข้ามาหาของของสกปรกเนี่ยนะัะนใดก็ดีผู้ที่มากไปด้วยราคาโทสะโมหะก็ต้องรู้ตัวเองเนี่ยนะแล้วก็น้อมใจไปหาผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นต้นผู้บริสุทธิ์ก็น้อมใจอย่างน้อยที่สุดก็ให้มีศรัทธาก่อนก็ยังดี แต่ถ้าเบื้องต้นแม้แต่ศรัท ธ, ธาในการพิจารณาก็ไม่มีแล้วก็อันนี้ไกลน่าจะกลายถาวรด้วยซ้าไปนั่นไะก็เราดูเสาเนะี่ยเป็นของธรรมดาธรรมดาที่เราเราเจอกันทุกวันนี่นะ <c oughs> แต่ก็ไม่รู้ว่าเสาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างไรบ้างเจิมพอนถ้าจะวินิจฉัยอีกในหนึ่งนะนี่เป็นเสาปูนถ้าเป็นเสาไม้เนี่ยนะเคยเห็นมอดมันอยู่ในนั้นไหมเคยเห็นปลวกมันอยู่ในนั้นไหม ถามว่าเพราะเขามีโอโมหะในสิ่งเหล่านี้นะจึงมีมอดมีปลูกอยู่ในนั้นอยู่ถ้าการเห็นสาวแล้วไม่ต้องมาพิจารณาไม่ต้องวิจัยอะไรเลยนะที่นั่นเนี่ยเป็นสเสวยเป็นที่สเสวยผลบาปแห่งเดรัจฉานตั้งหลายประเภทปลวกที่อยู่ในเสาต้นนั้นเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่หมอดที่อยู่ในเสาต้นนั้นอีกไม่รู้เท่าไหร่แต่ถ้าเราทำตัวเฉยๆไปเลยนะก็ คันในมอดตัวใดตัวหนึ่งก็เปอร์เซ็นต์ปฏิสนธิได้นี่นะปลวกตัวใดตัวหนึ่งก็เป็นแม่เราได้ต่อไปในอนาคตถ้ายังยังไม่ไม่ตื่นภายในวะตะนัตฏะอันนี้มันต้องพิจารณาทุกอารมณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องจริงๆเนี่ยนะผมพิจารณาบอกครับเป็นสีก็พอแล้วอ่ะสีเป็นปรมัตรธรรมอมอมืก็ขอมาก็ไม่ได้เข้าใจผิดว่าเสาเป็นเสียงเลยนะไม่ได้เข้าใจผิดเป็นอื่นเลยว่าเสาเนี่ยเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็ไม่ได้คิดเพราะไม่มีใครอยู่ในเสา ก็มันมีอิฐหินปูนทรายไปเท่านั้นเองแต่ทีนี้เรามาดูว่าผู้ที่เห็นเสาเนี่ยนะถ้าไม่รู้เหตุรู้ผลอย่างเพียงพอเสาเนี่ยเป็นอารมณปัจจัยของการทํากรรมกรรมเนี่ยเป็นเหตุให้ปฏิสนธิในในเสาได้แบบนั้นเลยให้เกิดไปอยู่ในเสาไดา้ไม่เสาไดาก็เสาหนึ่งละแม้แต่เสานั้นไปแช่น้ํำนะก่อนที่เขาจะเอามาทําบ้านเสาบางต้นเขาไปแช่น้ำํำยังมีสัตว์ไปเกาะอยู่ในนั้นอีกนี่ย พวกหอยหลายๆชนิดนะไปเกาะอยู่ในนั้นแล้วก็มีแมลงบางชนิดที่เข้าไปเจาะอยู่ในนั้นอีกเนี่ยนะแม้แต่เรือที่เราพายๆเนี่ยนะไอ้ตรงเนื้อไม้ข้างในนะั้นมีสัตว์หมดเลยของโยมเขาเคยถวายเรือมาลำหนึ่งอันนี้เราก็เออเอาขึ้นมายาเท่าไหร่ขึ้นมาก็โอ้โหมาดูแลนะทั้งหอยทั้งสัตว์ในนั้นอนะ่ะเต็มไปหมดเลยเรือที่ไปไเนี่ยนึกว่าไม่มีสัตว์ที่ไหนได้เต็มไปหมดเลยอันนั้นทุกขนทุกแห่งเนี่ยนะสัตว์อยู่มากจริงๆ แล้วถ้าเป็นบางแห่งเนี่ยนะมีแมงชนิดหนึ่งกินสีพวกนี้เลยนะมาเกาะพวกนี้แล้วกินสีเสาปูนเนี่ยเสาปูนฟ้าเนี่ยทาสีเนี่ยมากินหมดเลยแล้วก็มีวัดแห่งหนึ่งเนี่ยกว่าพวกสิ่งเหล่านี้ออกไปเนี่ยนะวันหนึ่งหลายกิโลมแมลงที่มากินพวกนี้เนะี่ยเอาอไปกองกองกองกองไว้เนี่ยโว้ขนได้เป็นรถรปิกอัพอ่ะตัวมแมลงนะมหาสารขนาดนะ พรานทุกแห่งเนี่ยนะเป็นอารมณปัจจัยของตามทํากรรมและสัตตปฏิสนที่อยู่ในนี้ไม่ใช่น้อยเลยและยังมีพวกแมงเล็กๆอยู่ในนั้นอีกมากมายถามว่านั่นก็คืออนนโดยบรรสัตว์บัญญัติก็มีเป็นสัตว์นะขันห้าอยู่แถวนั้นไม่ใช่น้อยๆเลยเพราะถามว่ากรรมที่เป็นเหตุปฏิสนที่ในที่เหล่านี้เนี่ยนะเราพ้นหรื อ, อยังถ้ายังไม่พ้นเนี่ยนะนี่แหละเหตุผลที่ต้องมาอบรม โพธิปัจฉยธรรมนั่นน่ะมีสติปัฏฐานเป็นต้นที่ต้องมาอบรมแต่ทีนี้การอบรมสติปัฏฐานเนี่ยนะถามว่าสติปัฏฐานเนี่ยก็ต้องว่าไปเป็นบัพพระนั่นนั่นไปถ้าจะเอาอายตนะบัพพระเลยว่าสีเนี่ยนะก็พึงรู้จักสุพึงรู้สีรู้จักสุเนี่ยจากสุเกิดด้วยปัจจัยเท่าไหร่จากสุคืออะไรเกิดจากปัจจัยเท่าไหร่สีคืออะไรเกิดจากปัจจัยเท่าไหร่เนี่ยนะ ในชั้นสุตตมยญาณต้องเรียนให้เพียงพอสัก่อนเนี่ยนะเรียนให้เพียงพอเลยว่าจักสุเนี่ยคืออะไรสีนี่คืออะไรอาศัยจักรุู่กับสีก่อให้เกิดอะไรต่อไปเนี่ยนะแล้วสิ่งเราเนี่ยมาเกิดเป็นเหตุเป็นผลมาจากปัจจัยอย่างไรเป็นต้นแล้วสิ่งเราเนี่ยเป็นผลของกรรมได้ยังไงแล้วเกี่ยวข้องกับสิ่งเราเนี่ยทำกรรมได้ยังไงเพราะว่าที่เป็นปัใจจัยให้เกิดในที่ต่างๆ น, นั้นนั้นเป็นผลของ เพราะฉะนั้นต้องรอบรู้ในเรื่องของกรรมและผลของกรรมเป็นอย่างดีไอาการรอบรู้ในเรื่องของกรรมและผลของกรรมอันนั้นแหละเป็นกรรมมัศกตานี่นะถ้ากรรมมัศกาส่วนนี้ไม่เพียงพอเนี่ยนะวิปัสสนาเนี่ยเจริญไปทําอะไรวิปัสสนาหรือสติปัฏฐานเนี่ยนะถ้าอย่างอย่างสติปัฏฐานก็มีอา น, นิสงส์ไหมก็เรียกว่าเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายสาัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะที่ไม่บริสุทธิ์อะไรทําให้ไม่บริสุทธิ์ ราคาใช่ไหมทําให้ให้เศร้าหมองโทสะทําให้เศร้าหมองโมหะทําให้เศร้าหมองแล้วเห็นยังไงจิตมันจึงเป็นราคะทําไมจึงเศร้าหมองเห็นยังไงเป็นโทสะทําไมโทสะจึงเกิดและเศร้าหมองเห็นยังไงแล้วเป็นโมหะและทําไมจึงเศร้าหมองไอความเศร้าหมองเหล่านี้นีมีอิทธิพล ต, ต่อชีวิตของเราต่อไปข้างหน้าอย่างไรแล้วจะชํ า, าระความเศร้าหมองเหล่านี้ได้อย่างไรเนี่ยนะก็ต้องวินิจฉัยทั้งหมดเลยเนี่ยนะก็เรียกว่ากําลัง กำลังจเจริญอริยสัจสีก็ได้ถูกไหมครับถ้าเอาสีมาวิเคราะห์เนี่ยแล้วก็สีมาเกี่ยวข้องกับตาไงเอาตามาวิเคราะห์อีกเจนวคือมันต้องวิเคราะห์ทั้งหมดนั่นแหละเพราะว่ารู้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วพ้นทุกเลยเนี่ยนะไอชั้นสุดท้ายเนี่ยใช่อ่านนะก่อนที่มรรคก่อนที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยนะอ่าขันใดขันหนึ่งก็เป็นอา ร, รมณปัจจัยของวิปัสสนาชั้นสูงก่อนที่มรรคจะเกิดได้ แต่ในชั้นตีรณปริญญาเป็นต้นนี่นะรอบรู้หมดเลยเห็นไหมรอบรู้หมดเลยรอบรู้จนว่าไม่มีอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงว่า ง, งั้นเถอะสำนวนว่าไม่มีโทไม่มีโทสะในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองไม่มีโลภะในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความยิน ด, ดีแล้วก็ไม่มีโมหะในอารมณ์ทั่วๆไปไม่เรียกว่าไม่ลุ่มหลงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลง เพราะว่าถ้าลุ่มหลงเมื่อไหร่พย ม, มานก็เข้าแล้วงั้นนะมานก็ได้ช่องมานก็ได้โอกาสเนี่ยนะพอ น, นก็ต้องทาปริญญาไข่ครววในสิ่งเหล่านี้ให้หมดหันการเจริญสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเขายกย่องอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าชาคริยานุโยกว่างั้นนะเป็นผู้ที่ปฏิบัติ ด, ด้วยความตื่นตัวมีความตื่นตัวอย่างเต็มที่อย่างหนึ่งแล้วก็เขาใช้คําว่าภิกขุคือผู้ที่เห็นภายในวัตฏะทั้งหลายเหล่านี้ <G> เห็นภายในกรรมวัฏวิปากวัฏและ กิเลสวัดและประสงค์จะชำระให้บริสุทธิ์โดยที่รับอารมณ์แล้วโลภะไม่เกิดโทสะไม่เกิดแล้วก็โมหะไม่เกิดเพราะผู้ที่ฝึกเจริญอินทรีย์เนี่ยนะมาจนเพียบพร้อมบริบูรณ์เขาเห็นสุภานิมิตเขาปารบเป็นอสุภะได้เห็นอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเขาเจริญเมตตาได้นะแล้วก็พิจารณาโดยความเป็นธาตุได้จะน้อมไปพิจารณาอย่างไรอย่างหนึ่งก็ได้หมดเลยโดยที่กิเลสเขาไม่เกิดเลยเนี่ยนะ พาาระรหัน์ทั้งหลายที่ท่านฝึกเสร็จแล้วท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ที่การฝึกพระพุทธเจ้าเนี่ยนะปุริสธรรมสาราิพระ อ, องค์เป็นผู้ฝึกบุรุษเนี่ยนะที่ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเลยเพราะฉะนั้นถ้าฝึกสำเร็จจริงๆเนี่ยนะก็เหตรับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นทั้งสามารถเป็นศิกฐขาได้เพราะฉะนั้นต้องอ บ, บรมตรศิษขาศีล ส, สมาธิปัญญาในทุกอารมณ์ ถ้าพูดถึงในชั้นศีลนี่นะเสาเนี่ยทําให้ผิดศีลได้ไหมเคยเห็นคนเนี่ยนะเอาฆ่าสัตว์โดยใช้เสาไหมก็จับกระแทกเสาไงจับหัวชนเสาตายเลยอย่างเงี้ยนะเอาไปจับหัวใส่เสาซะเป็นอา ร, รมณ์ปัจจัยของปานาติบาตได้อ น, นะแต่ถ้าศีลก็อาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดได้เคยเห็นเขาอธินนาทานกับสิ่งเหล่านี้ไหมอิดหินปูนทรายที่เป็นเป็นตัวทําให้เกิดเสาเนี่ยนะ คนทำมัธินนาทานในสิ่งเหล่านี้ได้ไหมก็ได้อาศัยเสาเป็นต้นเนี้ยอุปนิสัยหลายๆเรื่องการเมได้ไหมอาศัยองค์ประกอบเหล่านี้นะก่อให้เกิดการเมสุเมชฌาจารย์ได้แล้วเสานี่นะยังมีการมุสาวาทกานันนิสวรยมากเห็นบอกไม่เห็นมีกลิ่นบอกไม่มีกลิ่นเป็นต้นเนี่ยนะรู้บอกไม่รู้เป็นต้นเนี่ยนะก็พูดกลับไปกลับมากลับไปกลับมาในสิ่งทัง้งหลายเหล่านั้นก็เป็นวัตถุแห่งมุสาวาท เพราะฉะนั้นแล้วก็พูดถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะด้วยความชอบใจเพลิดเพลินก็เป็นเพ้อเจ้อไปเนี่ยนะถ้าด่ากระทบโอ้หน้าเหลี่ยมเหมือนเสาไงนะอันนี้ก็เป็นอะไรผู้สวาจา์พูดคำหยาบเป็นผู้สวาจาร์เนี่ยนะเป็นวัตถุแห่งการพูดกระทบได้ทีนี้เป็นปัจจัยแห่งอภิชาก็ได้ สมมติถ้าเป็นบ้านนะถ้าเป็นบ้านแล้วลูกบางคนบอกบ้านนี้จะต้องเอาให้เป็นของตัวเองให้ได้วิธีใดก็ช่างอ่ะนะน้อมบ้านหลังนั้นน้อมอาคารหลังนั้นเป็นต้นมาเป็นของตนก็เป็นอภิชาเนี่ยนะนะหรือเห็นเห็นสิ่งเหล่านี้ก็นึกถึงเจ้าของว่าต้องฆ่าเจ้าของอันนี้ให้ได้พยะก็เป็นพยาปาทะไปเนี่ยนะแต่ถ้าปาราปะของเหล่านี้เนี่ยเกิดลอยๆเนี่ยคนที่ได้มาใช้ เป็นต้นเนี่ยนะปารลมิจฉาทิฏฐิเนี่ยไม่ได้เป็นผลของบุญไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุญกับบาปอะไรเป็นต้นปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปก็เป็นมิจฉาทิฐิการเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ต้องหมั่นปารลให้กุศลกรรมบทเกิดก่อนเนี่ยนะชำระกรรมบทก่อนทีนี้เมื่อเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ทําดําเกิดได้ไหมเนี่ยอย่างที่ว่าไปอกุศลกรรมบทแล้วถ้าเกี่ยวข้องทําขาวได้ไหมเนี่ยนะคนที่อาศัยสิ่งเหล่านี้แล้วเขาทําทานนักกุศลเนี่ยมีไหมอันนัก็มี ปลารบเสาแล้วก็ทํากุศลไปเนี่ยนะแล้วอาศัยสิ่งเหล่านี้นะคนเจริญสมถะได้ไหมสีของเสาเนี่ยนะเจริญกสินได้มีพระราชาอยู่องค์หนึ่งอยู่ในวังนะวังในห้องทาสีเขาก็ปารบสีในห้องนั่นแหละทํากสินได้ชา้าเลยเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มีความสามารถก็เจริญกสินได้เนี่ยนะในในสิ่งนั้นหรือถ้าคนที่มีความสามารถถ้าอบรมธาตุกรรมฐานอยู่ด้วยนะ ถ้าอบรมาธาตุกรรมฐานอันนั้นเป็นาธาตุภายนอกาธาตุภายในกับธาตุภายนอกอันนั้นเป็นปฐวีาธาตุภายนอกแล้วก็มีปฐวีาธาตุภายในเนี่ยนะน้อมไปภายในกับภายนอกอยะว่าสาวเลยแมก้กระทั่งแผ่นดินเนี่ยนะพระพิษสกลุ่มหนึ่งท่านไปจาริกในที่ต่างๆนะอันนะเนื่องจากท่องเที่ยวจาริกไปไล้ละแห่งท่านก็มาเล่ากันหูบ้านโน้นดินดีมากเลยนะก็ปลารบถึงแผ่นดินเน่ยนะ ปทวีกระถาเหมือนกันดินตรงนั้นเนี่ยถ้าปลูกผักเนี่ยงามเห ก, ก็คุยกันเรื่องถึงแผ่นดินดินตรงนั้นไม่งามเลยมีแต่กรวดมีแต่หินเหมงอนกันถ้าทํานาคงไม่งามงนะก็คุยกันเรื่องแผ่นดินทั่วไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสเลยบอกว่านั่นแผ่นปทวีภายนอกธรรมดาภิกษุกควรมานกสิการปทวีภายในเหมือนกันเราะนั้นจริงเหล่านั้นก็เกี่ยวข้องมาในภายในเนี่ยนะหรือถ้าจะปาร้าโอ้โหเนี่ยเสาขนาดนี้นะเดี๋ยวไม่นานก็ผุ ก, ก็เปื่อยอย่างเงี้ย มีอยู่ครั้งหนึ่งกันนะนั่งนั่งรถไปที่กรุงเทพอ่ะไปเห็นในสะพานลอยนะสะพานผานก่อสร้างท้งดวนนะนะกาลังนึกว่าโอ้โหถ้าปูนมันหมดสภาพแล้วขนพวกนี้ขนไปทิ้ไงไหนเนี่ยถ้าพวกนั้นมันก็ไม่นานมันก็สิ้นสภาพใช่ไหมปูนทั้งหลายเนี่ยนะมันก็มีอายุขของเขาอ่ะนะอาคารทั้งหลายตึกทั้งหลายเขาก็ระเบิดทิ้งถ้าหากว่ามันหมดอายุไขขนาดใหญ่ๆโตๆดูแข็งแรงขนาดนั้นยังต้อง ศูนย์สลายแล้วภายในล่ะก็น้อมเข้ามาพิจารณาในในภายในอ uh oh. นะรูปประกายในภายในเหล่านี้เป็นที่อาศัยตันหาทิฏฐิเนี่ยนะอาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดแล้วสิ่งเหล่านี้รูปประกายเหล่านี้เกิดจากตันหาและทิฏฐิอาศัยสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดตันหาและทิฏฐิอันใหม่ขึ้นอีกอนะตันหากับทิฏฐิเนี่ยตันหากับทิฏฐินี่เป็นอะไร ตัณ<ร><ร>หาอุปาทานอาศัยสิ่งเหล่านี้ทํากรรมใหม่แล้วใช่ไหมอันนันุปาทานเป็นปัจจัยแก่กรรมมาภพประเภทกายกรมกรมกรรมมาภพประเภทวจีกรมกรมกรรมมาภพประเภทมนโนกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งถามว่าสีนี้เป็นนิมิตของการเกิดใหม่ได้ไหมเป็นสมมุติว่าวิถีจิตสุดท้ายเนี่ยมีสีเป็นอารามณะปัจจัยก่อนตายได้ไหมไ ด, ได้เป็นกรรมนิมิตได้ไหม เสาเนี่ยเป็นกรรมนิมิตก่อนตายได้ไหมอันนะี้ยกตัวอย่างนะคนที่เขาบริจาคสร้างสิ่งนี้ใช่ไหมก่อนจะตายเขาเนื่องถึงรูปอันนี้เนี่ยนะก็เป็นกรรมนิมิตนิมิตที่เขาเคยทํากรรมเพื่อปฏิสนธิในในพบใหม่ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นกรรมนิมิตได้แล้วถ้าหากว่าจะเป็นสัตว์บางชนิดถ้าจะมาเกิดแถวๆนี้เนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เป็นคตินิมิตได้ พันเป็นทั้งกรรมนิมิตได้เป็นทั้งคตินิมิตได้เพราะันสิ่งเหล่านี้จึงต้องไม่ประมาทในในธรรมทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะโดยเฉพาะไม่ประมาทในจิตที่เป็นกุศลมาต้องรักษาต้องพอกพูนให้กุศลเนี่ยเกิดอย่างต่อเนื่องถ้ากุศลไม่เกิดอย่างต่อเนื่องชีวิตก็เป็นไปในวะตะอยู่อย่างนี้ตลอดไปถ้าชีวิตอยู่ในวัฏฏอย่างนี้ก็เป็นคนห àng, ่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าโดยบริบูรณ์ ทีนี้ถ้าหากว่าเราจะใกล้ชิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจักเป็นไปได้อย่างไรก็นี่แหละจะมีได้ก็เพราะฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าเมื่อเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะพระอริยเจ้าท่านว่าอย่างไรบ้างใช่ไหมผู้ที่ฟังธรรมะของพระอริยเจ้าก็สามารถวิเคราะห์สิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะสมมุติว่าสัจจานิยมแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มทุกข์สัตย์ก่อนกับกลุ่ม มัคคสัตต์นียนะกลุ่มมัคคสัตต์ในชั้นต้นกลุ่มทุกขสัตต์ก็คือการวินิจฉัยสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นขันการวินิจฉัยสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นขันวินิจฉัยสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นธาตุโดยความเป็นอายตนะอันนี้ก็เป็นธรรมะของพระอรียเจ้าอย่างหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือโดยกุศลอกุศลและอัพยากตะเป็นต้นนะการเอาสิ่งเหล่านี้มาวินิจฉัยอันนี้ก็เป็นธรรมะของพระอรียเจ้าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะ แล้วในสิ่งเหล่านี้เป็นอารามณปัจจัยของสติปัฏฐานได้ไหมอันนั้นเป็นมั้สติปัฏฐานเกิดในด้วยอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นอารามณปัจจัยได้ไหมสัมมปัฏฐานอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นอารามณปัจจัยได้ไหมอิทิบาทอินทรียพละและโอชงเนี่ยนะเป็นอารามณปัจจัยของสิ่งเหล่านี้ได้ไหมถ้าไม่อบรมสติปัฏฐานเป็นต้นในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยนะเมื่อกี้บอกว่าถ้าสุภานิมิตโลภะเกิดอุเบคานิมิต โมหะเกิดปฏิฆานิมิตโทสะเกิดคติที่ไปของโทสะคือนรกนรกคตินิมิตของโลภะโดยมากเปรตคติของโมหะคือเดรชานเ น, นี่ยนะบัณฑาจะปล่อยให้ชอบก็เอาจะปล่อยให้ชังก็าตามใจเหมือนกัน <laughs> จะทําตัวเฉยๆอุเบกขาเอกก็คู่ควรแก่กรรม <c oughs> จะตามสมควรแก่กรรมของตัวเองจริงๆ ก็ได้ยินท่านบรรยายจริงเหล่านี้มาก็ํานานพอสมควรพอเข้าใจแต่ว่าแม้แต่เข้าใจก็ไม่ค่อยไม่ค่อยนํามาโยนิโสอย่างที่ท่านว่าเนี่ยพอเห็นอะไรครับ<ย>คือก็เข้าใจครับแต่ว่าเห็นเสาทีไรก็เสาอยู่เรื่อยโยนิโสมีอะไรเป็นอาหารโยนิโสก็มีศรัทธาเป็นมรดเดี๋ยวก็ <laughs> มีศรัทธา นะมีศรัทธาที่พิจารณาไหมเขาบอกว่าศรัทธานี่นะเขาบอกลักษณะของเขาเนี่ยนะเหมือนกับมันมีห่วงน้ําอยู่ห่วงหนึ่งนะในห่วงน้ำนั่นแนหะมีสัตว์เยอะมีจระเข้เยอะเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้คนธรรมดาทั่วๆไปไม่กล้าที่จะลงน้ำเนี่ยเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝากหนึ่งมีบุรุษคนหนึ่งผู้องค์อาจเขาเ ข, าเข้ามาบอกมาตามผมมาว่างั้น ถือดาบอันหนึ่งเลยมั้ยตัวไหนเข้ามาเพราะฉะนั้นก็พาคนไปโดยสวัสดีฉันไดเนี่ยน ะ, ะถ้ามีศรัทธาก็ลักษณะนะั้นถ้ามีศรัทธาก็ต้องสามารถที่จะโยนิโสได้แต่ทีนี้ถ้าพูดถึงศรัทธาศรัทธาก็มีอาหารอีกทีหนึ่งนะอะไรเป็นอาหารของศรัทธาฟังสัตยธรรมมาอย่างบริบูรณ์เนี่ยนะการวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะโดยการเรียนการฟังสุตะมยายานเนี่ยเพียบพร้อมบริบูรณ์จริงๆเลยนะ สํานวนว่าสุสตมยาญาณ16หัวข้อนี่แม่นยํามากนะอะไรควรรู้ยิ่งรอบรู้อยู่แล้วอะไรควรกําหนดรู้อะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรทําให้แจ้งอันนี้ชัดเจนหมดแล้วคติของสังขารเป็นยังไงเนี่ยนะคติของธรรมะทั้งหลายเป็นยังไงก็เข้าใจชัดเจนแล้วในขณะเดียวกันอะไรเป็นฐานะภาคยะเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้เสื่อมได้ยังไงดํารงอยู่อย่างไรเจริญขึ้นอย่างไรและชําแรกออกจาก สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเนี่ยนะเขาเรียกว่าภาคยะสี่ก็ต้องแม่นยําแล้วอริยสัจนั้นะนะประชมประมวลสิ่งเหล่านี้โดยอริยสัจก็มองเห็นอย่างอย่างชัดเจนนะนะแต่ว่าไอการที่จะฟังอย่างบริบูรณ์เหล่านี้นะี่นะอาศัยอะไรเป็นปจัจจัย ก, การครบศัสตร์บุรุษนี่นะถามว่าเราอ่านเราฟังเรื่องราวเหล่าเนี้ยกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะพอที่จะให้ ให้การฟังทำบริบูรณ์เนี่ยนะการฟังการเกี่ยวข้องอ่านะถ้าพูดถึงสมัยนี้ก็ทั้งอ่านทั้งฟังอ่ะนะเพราะได้ทั้งอ่านและฟังการอ่านการฟังในเรื่องเนี่ยพอเพียงไหมล่ะทีนี้ถ้าพูดถึงเอา้าการอ่านการฟังก็มีปัจจัยอีกนะอ่า น, นะคืออะไรปฏิรูประเทศเหมือนั้นแต่จัดสปายะทั้งหลายให้ใ ห, ให้ให้ได้ไหมเนี่ยนะถ้าจัดสปายะให้ตัวเองไม่ได้หาสถานที่ให้ไม่ได้ระดับหนึ่งเนี่ยนะก็ยากที่จะอ่าน จะอ่านพระธรรมเหล่านี้ได้เนี่ยนะแต่ก็อีกส่วนหนึ่งก็อย่าลืมว่าบุญเก่าจริงๆยังไงก็ต้องอาศัยบุญเก่าเนี่ยนะถ้าไม่มีบุญเก่าก็นอกจากทําบุญแล้วอัตตะสัมมาปณิทิตั้งความปารธนาบใหม่เท่านั้นเองนะทีนี้แต่ของมาไม่ค่อยหนักใจว่าของเก่ามีมาหรือไม่มีมานะพอได้ศึกษาคําสอนอย่างนี้แล้วจะทําเอาใหมล่ละทำาไม่ทำนทเนี่ยทุกแน่ข้างหน้านะเพราะฉะนั้นก็ส ม, มาทานที่จะประพฤติกุศลธรรมไป อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะวิธีที่เบาที่สุดง่ายที่สุดเนี่ยถ้ามีศรัทธานําหน้าอย่างว่านะก็ปฏิญาณถึงไตรสรณคมแบงนั้นเถอะพระพุทธเจ้าว่าไงก็จะเดินตามท่านนี่แหละแบบนั้นท่านว่าไงก็ว่าอย่างนั้นแหละรู้ไม่รู้ก็เอาตามท่านก่อนนะครับพระพุทธเจ้าตาดีเราตาบอดแบงนั้นขอเดินตามพระพุทธเจ้าไปก่อน<ๆ>ก็เท่าที่เราศึกษาคําสอนดูแล้วคิดไหมว่าพระพุทธเจ้าหลอกเราเห็นเราคิดอย่างนั้นไหม ไม่ไม่คิดเลยใช่ไหมสงสัยไหมพระพุทธเจ้านี่จริงหรือเปล่าไม่รู้ตต่สรู้จริงหรือเปล่าคําสอนของท่านเนี่ยนะถ้าเพ่งตามพิจารณาตามวิจัยตามทั้งหมดให้บริบูรณ์พ้นทุกเรื่อจริงหรื อ, อแล้วภาษาบุตรทั้งหลายเนี่ยนะท่านวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้หรือเปล่าอยังไงไหมเพราะฉะก็ต้องอ่าเรียกว่าศรัทธาในพระรัตนตรายก็ต้องให้มั่นคงเนี่นะแต่ถ้าศรัทธาในส่วนเหล่านี้น้อยให้รู้เถอว่าคนอภบปัชจริงๆรินะ พัพพาคัมมนโนอภัพพาคัมมนโนอะไรกันนี่เป็นคนอภัพนะแต่ถึงอภัพก็คําว่าอภัพเนี่ยหมายว่าไงหมายคำว่าคนที่ไม่ได้บรรลุมรรคผลในชาตินี้นั่นก็เรียกว่าคนอภัพเหมือนกันในนั้นสร้างความหวังอีกก็ที่ถามเมื่อช้าว่าแล้วควรจะเกิดในคันของใครล่ะชาติหน้าเนี่ยนะ คือถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยของมาเนี่ยวังหมาเปอร์เซนต์ทำไมมันน้อยจริงๆเลยนะก็ก็ชาตินี้ยังยากขนาดนี้เลยนะแล้วชาติหน้ายุคหน้าต่อไปเนี่ยนะหากินยากกว่านี้เยอะที่จะมาศึกษาพระธรรมนี่ไม่ง่ายเลยเหมือนกันถ้ายิ่งชาติหน้าเข้าไปอีกเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นยุคนะความเป็นไปของโลกเนี่ยเป็นปยุกยุคนี้เรีวยกว่ายุคเสื่อม ยุคเสื่อมต่อไปข้างหน้าจะจ ะ, จะเรียกว่าจะเข้าไปถึงยุคมิขสันยีว่า ง, งั้นนะถึงยุคมิขสันยีมิคขา น, นี่แปลว่าอะไรเนื้อเนี่ยพวกตระกูลเนื้อทั้งหลายแหละเขาจะพูดว่าสัตว์ป่ามันก็น่าเกียดนั่นนะเขเลยใช้คําว่ามรึกแทนว่า ง, งั้นเพราะฉะนั้นสันยีนี่แปลว่าสัญญามีสัญญาเหมือนกับสัตว์นั่นเองสัญชาติญานในลักษณะสัตว์เนี่ยมากขึ้น แม้กระทั่งการสมสู่ก็ไม่เลือกที่เป็นต้นเนี่ยนะฮิริโอตะปะไม่เกิดเพราะฉะนั้นยุคต่อไปเนี่ยนะคำว่าพ่อคําว่าแม่เขาจะไม่รู้จักเลยฮิริโอตะปะจะไม่เกิดเขาบอกว่าคําว่ากุศลยังไม่เคยได้ยินเลยนะไม่ต้องพูดถึงว่าทํากุศลเป็นยังไงกุศลนี่เขาไม่เคยได้ยินเลยตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยได้ยินไม่จําต้องพูดถึงกุศลแล้วก็ถึงหนักๆเข้าเขาเรียกว่าสัพพันตรกรรับสัตตันตรกรับเนี่ยนะ หมายถึงว่ายุคช่วงที่คนเนี่ยจะเข็นฆ่าด้วยการใช้อาวุธสาตตระฆ่ากันอย่างเดียวถ้าเห็นกันนี่นยนะก็บอกว่าแต่ละคนเนี่ยที่จะมีใจกรุณาต่อกันหายากเหมือนกับคนไปหาปลาทั้งหลายเนี่ยนะพรานเนื้อไปหาเนื้อพรานปลาเนี่ยนะพวกชาวประมงไปหาปลาไม่มีจิตใจว่าแหมนึกสงสารปลาเหลือเกินเหมือนกันเห็นใจอย่าไปฆ่ามันเลยนะอย่างเงี้ยพูดเนื้อตัวนี้แม่ลูกอ่อนนะอย่าไปฆ่ามันนะ น้อยเต็มทีว่างั้นพวกพรานเนื้อพรานพรานเบ็ดทั้งหลายแหละเนี่ยนะมีแต่คิดจะฆ่าถ่ายเดียวอยุคต่อๆไปก็จะลักษณะนั้นก็มีคิดจะเข็นจะฆ่ากันอย่างเดียวอันนั้นก็แทบจะตายล้างโลกนุ่นแหละว่างั้นแล้วมนุษย์ก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ย น, นะรอไปถึอายุแปดหมื่นปีอะพระศรีอารยัยงกมตัสรูก็เมื่อเมื่อคนมีบุญเข้ามาพร้อมกันแล้วนั่นแหละเพร้นยุคหน้าก็ พิจารณาเอากันแล้วกันว่าควรทํำยังไงถ้าจะว่าไปเนี่ยนะัยยุคนี้ยังดีเลยนะัยถ้ายุคก่อนเนี่ยนะถือดับปล้นเลยนัยนะนะมีอยู่ยุคหนึ่งอนะยุคพระเจ้าพระเจ้าตากสินเ น, นี่ยนะขึ้นของราดใหม่ๆเนี่ยทางเหนือเนี่ยปล้นเลยเนะปล้นแล้วก็พระเจ้าตากสินเนี่ยต้องมาปราบโจงกลุ่มนี้จกิงเพราะฉะนั้นมีต้องไม่รู้อีกกี่เรื่องต่อกี่เรื่อง น, นะนะยไม่แงอ่า พูดถึงอ่านหนังสือของอินเดียเนี่ยนะยุคไหนที่จะหรือว่าประเทศไหนที่จะมีคนดีเท่าอินเดียอ <ellt on. S 2> ีกแล้วนะท่าพูดไปแล้วนะคนที่บริสุทธิ์เนี่ยปฏิบัติบรรลุธรรมเป็นมรรคผลนิพพานเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็เป็นคนชาวอินเดียเหมือนกันคือเป็นคนที่เกิดที่อินเดียเหมือนกันสาวก India, า o, ทั้งหลายก็เกิดที่อินเดียพารยะผู้มีความรู้ความสามารถเกิดที่อินเดียหมดเลยแต่มายุคหลังมาเนี่ยนะคนไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเลยในอินเดียเหมือนกัน เนี่ยนะสารณาคมเนี่ยเพิ่งเอาเข้าไปใหม่ไม่กี่ปีนี้เองเอาเข้าไปใหม่ได้เฉพาะในกลุ่มวันณนะจันทานเนี่ยนะก็เอาไปเข้าไปเนาะเขารู้แต่ว่าเออพู้ทางสารนางก็ฉาม่รู้เท่านั้นยริงแต่ว่าพระพุทธเจ้าคือใครอะไรยังไงไม่รู้เลยเนี่ยนะดีไม่ดีก็ถ้าไปก็ขอทานนั่นแหละอาจจะเป็นชาวพุทธแหละ น, นะพวกที่อาชีพดีๆนั่นแหละที่ไม่ใช่ชาวพุทธส่วนใหญ่เนี่ยนะ ก็จะเป็นลักษณะนั้นอินเดียนี่ใครจะคิดว่าจะหมดไปจากโลกขนาดนั้นสมัยก่อนเนี่ย โ, โหปักเรียกว่าเป็นปึกเป็นแผ่นว่างั้นธงชัยของผ่าทหารเนี่ยเปลือกสะบัดไปหมดเลยบ้านแทบทุกหลังเป็นอริยะกันเกือบหมดเลยนะก็ยังหมดเลยว่างั้นทีนี้แล้วไทยเราจะไปเหลือตรงไหนเนี่ยนะถ้าหากว่าความเข้าใจในพระธรรมคํำสอนเราอ่อนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเป็นคติธรรมดาว่าพระาศาสนาจะต้องหมดไปจากโลก แต่ทีนี้ว่าโลกคือใครอ่ะโลกคือนายกนายหอหรือว่าหรือว่าโลกไหนอ่ะถ้าโลกพระสมบัติเสื่อมแล้วก็แย่แล้วก็นนี้แย่แล้วก็นี้ใครมากวดน้ำมาให้เราอ่ะยุ่งกันนี้อันนเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทเลยนะในชีวิตซึ่งมันน้อยเต็มทีเนี่ยนะโดยรูปประกายก็ห่างไกลาจากพระพุทธเจ้ามาตั้งสองพันกว่าปีแล้ว นนแล้วนา ม, มากายอ่ะนะคือจิตใจของเราทั้งหลายนี่นะนึกถึงคําสอนวันละกี่ครั้งว่า ง, งั้นเถอะนึกถึงคุณของพระองค์กี่ครั้งให้พอได้ว่าเออเราใกล้ชิดต่อพระองค์จริงๆอ่ะนะเป็นคนใกล้ชิดทั้งกายกรรมใกล้ชิดทั้งวจีกรมรมใกล้ชิดทั้งมนโนกรรมเนี่ยนะแล้วเอากายกรรมวจีกรรมนี่แหละเป็นพุทธบูชาว่า ง, งั้นเถอะขาทำสิ่งเราเนี่ยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเนี่ยนะพอที่ว่ า, าต่อๆไปจะได้ มีอุปนิสัยใกล้ต่อพระรัตน์ตร ย, ยิ่งกว่านี้เข้าไปอีกเนี่ยนะอันนี้ก็นับว่าห่างเต็มทีแล้วว่างั้นควรที่จะสังเวชว่างั้นถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ฉลาดไม่ได้ร่ำเรียนมาไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนเนี่ยนะก็ก็หนักหนาสาหัสจริงๆชั้นต้นก่อนผู้ที่ไม่ฉลาดในธรรมคือไม่ฉลาดในธรรมอย่างที่กล่าวไปไม่ฉลาดในขันอายตนะธาตุอย่างหนึ่งนะ อย่างหนึ่งคือไม่ฉลาดในสติปทานสัมมาปทานอิทิบาทอินทรพละพุทธชงและอริยมรรคคือไม่ฉลาดในทุกขสัตทั้งหลายที่พระองค์ทรงจำเนกโดยประการต่างๆไม่ฉลาดโดยโพธิปัจขยธรรมโดยประการต่างๆที่พระองค์ทรงจำเนกเอาไว้เนี่ยนะเพราะนั้นพวกนี้เลยว่าไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าและไม่ได้รับการแนะนําคําว่าแนะนําตัวเนี้ยมาจากบาลีว่าวินีโตเนี่ยนะ คืออวินีตาหรืออวินีโตเป็นผู้ที่ไม่มีวินัยของพระเรียเจ้าคือไม่มีสังวรวินัยอย่างหนึ่งไม่มีปหาณวินัยเนอย่างหนึ่งคือไม่มีวินยัยสังวรวินัยเนี่ยนะสังวรมีเท่าไหร่มี5ประการใช่ไหมหนึ่งสีลสังวรสองสติสังวรสามญาณสังวรสี่ ขันติสังวรและก็วิริยะสังวรอันหนึ่งนะศีลสังวรเนี่ยนะศีลเนี่ยเป็นชื่อของอะไรศีลศีลเนี่ยองค์ธรรมได้แก่เจตนาศีลเจตสิกศีลเป็นต้นเนี่ยนะศีลสังวรอันนี้เกิดไหมเนี่ยนะหนตัวสติเนี่ยนะสติสังวรหรืออินทรีย์สังวรนี่อันเดียวกัน 3. ญาณะสังวรสีขันติสังวรและก็วิริยะสังวร สังวรเหล่านี้ถ้ามีก็แสดงว่าใกล้พระพุทธเจ้าถ้าไม่มีสังวรทั้งห้าประการเหล่านี้ก็ชื่อว่าไกลต่อพระองค์และอย่างหนึ่งถ้าบอกว่าวินัยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยวินัยมีสองใช่ไหมสังวรวินัยกับปหานวินัยปหานวินัยมีห้าประการหนึ่งแต่าาตทางค้าปานแต่ทางค้าปานเป็นชื่อของศีลทั้งหลายนะศีลก็เป็นแต่ทางค้าปาน วิปัสนาเนี่ยนะจนถึงโคตรภูญานก็เป็นตทางค<า>้าประหารสมถะเป็นวิขมพนาประหารอริยามรรคเป็นสมุเฉทประหารอริยผลเป็นปฏิ ป, ส ป, ปัสสติประหารนะิพพานเป็นนิสรณนาประหารประหารณทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยบุคคลใดไม่มีคนนั้นห่างไกลาจากพระพุทธเจ้านเหมืนั้นถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยเนีย แต่อีกอย่างหนึ่งไม่ต้องห่วงเพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้มีวินัยเหล่านี้จริงๆคําสอนในพระไตรปิฎกเนี่นะเพื่อให้มีสังวรวินัยกับปหานวินัยเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์เนี่ยนะเธอทั้งหลายอย่าประพฤติเพื่อการหลอกลวงเป็นต้นเนี่ยนะอย่าประพฤติเพื่อลาบสการะชื่อเสียงทั้งหลายเป็นต้นแต่ให้เธอทั้งหลายตั้งใจประพฤติเพื่อสังวรเพื่อปหาณนะเพื่อวิราคะ เพื่อนิโรธะเพื่อสัมโพธายะเพื่อนิพานายะเนี่ยนะให้ประพฤติเพื่อสังวรเนี่ยสังวรห้านะให้พฤติเพื่ อ, อปานะห้านะให้ประพฤติเพื่ออริยมรักอริยผลให้ประพฤติเพื่อพระนิพพานนะพระองค์ ก, ก็ตั้งเอาไว้พระองค์ ก, ก็สอนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ทิ้งคำสอนของพระองค์กุกศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องต้องมีในใจของเราได้อย่างแน่นอนถ้าเราไม่ทอดทิ้งพระองค์นไ แล้วก็ผู้ที่ไม่เห็นธรรมะของพระอริยเจ้าผู้เหล่านี้ก็ชื่อว่าห่างไกลจพากพระพุทธเจ้าเหมือนกันธรรมะที่จะทําให้เป็นพระอริยเจ้าคืออะไรคําว่าไม่เห็นพระอริยเจ้าไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อนะเห็นไหมเพราะเพราะอะไรท่านบอกว่าสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกก็มองเห็นพระพุทธเจ้าอ่ะวย่างนั้นนะแต่ก็ไม่ได้เห็นอริยธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ที่ไม่เห็นอริยธรรมของพระพุทธเจ้าผู้นั้นก็ชื่อว่าไม่เห็นพระพุทธเจ้า น, นะอริยธรรมคืออะไรธรรมที่จะทําให้เป็นอริยะก็คือนับตั้งแต่การเห็เนการวิจัยโดยตีรณะปริญญาเป็นต้นเนี okay. ่ยนะการวิจัยโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นอ่ะไอข้อปฏิบัติเหล่านี้นี่แหละที่จะทําให้เห็นพระอริยเจ้าถ้าไม่เห็นธรรมะทั้งหลายเหล่านี้ก็ยากที่จะเห็นว่าพระอริยเจ้าท่านรู้อะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นแหละเรียกว่าธรรมะของพระอริยเจ้าทั้งหลาย ถามว่าพิจารณาอะไรโดยความเป็นของไม่เที่ยงเขาบอกว่าการพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นชื่อของปัญญานะคำว่าพิจารณาตัวนี้นะเป็นชื่อของปัญญาปัญญาพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงพิจารณาอะไรพิจารณรูปนะรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะพิจารณาเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยง ส, Update. สัญญาสังขารและวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงถามว่าทำไมจึงไม่เที่ยง มีแล้วหาม่มีไมเพราะมันไม่เที่ยงจริงๆใช่ไห ม, ไมสาเทือ่แต่และคนแต่และทางก็ไปกันหมดแล้วอ ะ, อะไรไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงสังนารไม่เทีใช่จริงๆแหละไม่เทเี่ยงเพราะมีแล้วก็ไม่มีเนี่ยนะมีแล้วก็ไม่มีไอสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เพราะอะไรก็มันเป็นไปอยู่อย่างเงี้ถามก็น่ากลัวเป็นทุกข์เพมันน่ากลัว เป็นอนัตตาไหมเป็นเพราะไม่มีสาระเลยนะก็ไข้ครวนอย่างนี้ทุกๆุกอารมณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะกันนะก็ไข้ครวนทําให้มากอันนั้นเป็นอะไรปริญญาตีระปริญญานะนะีะจนกว่าจะปะหาณาได้นั่นแหละถ้าปะหานะได้จริงๆก็เท่ากับเห็นพระอริยเจ้าจริงๆเลยนะเพราะเห็นธรรมะที่ทําให้เป็นพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าท่านเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงอนะนนโดยทางมิโมกขมุก ค, คือโดยเป็นของไม่เที่ยง เนี่ยนะอาการเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเขาเรียกว่าอ ok นิมิตตวิโมกนะแล้วก็จะบรรลุอริยมรรคชื่อว่า ok อะนิมิตตาวิโมกนิพพานนั้นก็ชื่อว่าอะนิมิตตานิพพานเหมนันเลนะก็จะทําให้เห็นพระอริยเจ้าแบบนั้นเพราะพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเห็นอริยธรรมเนี่ยนะถ้าพิจารณาโดยความเป็นทุกข์ก็เป็นอปปนิหิตตาวิโมกนะถ้าพิจารณาขันธ์ห้าโดยความเป็นของไม่ทุกข์หรืออนุปัสนา พิจารณาขันห้าโดยความเป็นทุกข์มากๆอริยมรรคที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าอปปนิหิตะวิมูกนิพพานที่ยั่งถึงอันนั้นเป็นอันนั้นเป็น อ, อปปนิหิตะนิพพานเหมือนกั น, น, นถ้าผู้ที่เจริญอนัตตานุปสนาเนี่ยตามเห็นขันห้าโดยความเป็นอนัตตาไออนุปสนาอันนี้เป็นอุปนิสัยให้อริยมรรคชื่อว่าสุญตะวิโมกไงนะ นิพพานที่เห็นเรียกว่าสุญญตานิพพานมันนิพพานจะเรียกโดยปริยายสามก็ได้คืออานิมิตานิพพานอปะนิหิตานิพพานแล้วก็สุญญตานิพพานเนี่ยนะก็สามารถที่จะเข้าถึงพระ น, นิพพานทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่เห็นธรรมะของพระเรียเจ้าทั้งหลายเหล่านี้ก็เรียกว่าคนไกลพระพุทธเจ้าว่า ง, งั้นก็ไกลพระพุทธเจ้ามันของเราอย่างไรอย่างไงก็ไกลแต่ตัวเธอว่า ง, งั้นนะ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะเขาบอกว่าผู้ที่ไกลพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติเลยเห็นไหมผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคุณธรรมที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดนั่นแหละชื่อว่าคนไกลพระพุทธเจ้าหรือบุคคลที่ปฏิบัติผิดจากคําสอนเนี่ยนะก็ชื่อว่าไกลพระพุทธเจ้าเหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้ น, น, นทุกคําทุกคําควรไปเพ่งนะว่าเออคนอย่างไรไกลาจากพระพระพุทธเจ้าถ้าไกลาจากพระพุทธเจ้าผู้เป็นธรรมราชาผู้เป็น ทำรรมาสามีเนี่ยแปลว่าเจ้าของธทำเนี่ยนะถ้าไกลจากพระพุทธเจ้าผู้ธรรมราชาแล้วถามว่าจะใกล้กับพระธรรมของพระองค์ได้ไหมก็ไม่ได้ถ้าไกลจากพระธรรมจะว่าใกล้กับพระสงฆ์ได้ไหมก็ไม่ได้พระสงฆ์คือใครถามว่าคือใครผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสาธุแล้วแล้วอะไรปฏิบัติดียังไง ศีนยังไงเป็นศีนปาทิโมกศีนอ่าเป็นต้นเป็นต้นอ่าสบายมากนะก็ไปได้กันนะทีนี้เขาบอกว่าปฏิบัติ ด, ดีก็คือปฏิบัติไม่คดไม่งอนะก็ปฏิบัติดีเนี่ยนะก็บอกว่าเป็นผู้ที่ไม่ใช่ปฏิบัติปฏิบัติดีเนี่ยดีมีกี่อย่างอะดีมีกี่อย่างหนึ่งอ่านะดีทางกายสองดีทางวาจาแล้วก็สาม ดีทางใจเนี่ยนะไม่ทุจริตทางกายทางวาจ า, าจแล้วก็ทางใจนั่นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติ ด, ดีทีนี้ต่อไปเนี่ยปฏิบัติตรงอ่ะปฏิบัติตรงเนี่ยปฏิบัติตรงยังไงไม่คดไม่งอไม่เอียงไม่โกงเลยไงไงคําว่าตรงในที่นี้ก็คือถ้าเอียงซ้ายเขาเรียกว่าสัสาถาทิฏฐิถ้าเอียงขวาเรียกอุเฉทาทิฏฐิแต่ท่านปฏิบัติตามมัชฌิมาปัเอเขาบอกว่าปฏิบัติเพื่อแทงตลอดอริยสัพอั้นเงี้ยคือไม่ปฏิบัติเป็น กามสุขลิการุโยกซึ่งเอียงอย่างหนึ่งไม่ปฏิบัติเป็นอัตติลมัานุโยกซึ่งเอยียงอีกอย่างหนึ่งแต่ท่านปฏิบัติตามอริยมร์เนี่ยนะอันนั้นก็เรียกว่าปฏิบัติตรงนี่ยนะแล้วปฏิบัติเพื่อรู้พระนิพพานเนี่ยนะผู้ที่ปฏิบัติเพื่อรู้พระนิพพานเนี่ยนะตั้งแต่โสโดาปฏิมร์เป็นต้นไปเรียกว่าผู้ปฏิบัติเพื่อรู้พระนิพพานนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าอันนี้เรียกว่ายาญาปฏิปันโน สามีจิตปฏิปันโนเนี่ยปฏิบัติสมควรแก่การกราบการไหว้การต้อนรับการเชื้อเชิญเนี่ยนะคู่ควรแล้วที่ท่านเป็นนาบุญเนี่ยนะปฏิบัติสมควรตามคําสอนจริงๆเนี่ยนะแปลว่าทําบุญนะอุทิศส่วนบุญให้เปรตเปรต เ, เขาไม่ไม่สายหัวว่างั้นนะนีแต่ถ้าไปทําบุญให้กับไม่มีศีลมีธรรมเนี่ยเปรตสายหัวเลยมมกๆพวกพวกเขาบอกว่าขอไยนะเขาบอพวก หัวโลนควมอยไปแย่งไปกินหมดเลยครับว่างั้นเนี่ยนะเราั้องเอาแบบปฏิบัติคุณนะทักคู่ควรว่าเออทาบุญไปให้เปรตแล้วเปรตคานุโมทนาได้นะไม่ไปแย่งของเขากินหมดอะ่ะเพราะว่าองค์ประกอบที่จะทําบุญไปให้ให้อามนุษย์หรือที่เรียกว่าเปรตเนี่ยมีสามอย่างนหนึ่งทายกอุทิศส่วนกุศลสองบุคคลผู้รับเป็นทักคินายา บ, บุคคลสามเปรตอนุโมธนาองค์ประชุมสามอย่างนี่นะเปรตจรึงจะได้รับว่างั้น แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งนะหมดสิดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคําว่าปฏิบัติชอบก็เป็นลักษณะ น, นั้นแล้วต้องปฏิบัติไม่ผิดจากพระธรรมคําสอนเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติผิดแล้วไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากคําว่าปฏิบัติผิดก็ตั้งอยู่ในมิจฉาปฏิบัตินั่นเองมิจฉาปฏิบัตินั่นแหละเรียกว่ามิจฉาทิฐิมิจฉาทิฐิก็คือปฏิบัติตามลัทธิทิฏฐิ62อย่างใดอย่างหนึ่งนะอันนั้นก็เป็น มิจฉาปฏิบัติเนี่ยนะก็ปฏิบัติตามแนวของทิฏฐิหกสิบสองอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนถ้ามิจฉาปฏิบัติเนี่ยนะเพราะเนื่องจากมิจฉาทิฏฐิก็เลยมิจฉาสังกัปปะมิจฉายาวาจาเป็นต้นก็จะดําเนินไปเรื่อยแต่ถ้าปฏิบัติชอบเนี่ยนะก็ปฏิบัติตามหลักของสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมีเท่าไหร่นะสัมมาทิฏฐิมีห้าเนาะหนึ่งหนึ่งอะไร 1. กรร ม, มสกตาสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะไอ้ที่ว่าปฏิบัติชอบก็ต้องปฏิบัติตามสามมาัมมาทิฏฐินะหนึ่งกรรมสกตาสาัมมาทิฏฐิสองฌานสัมมาทิฏฐิสวิปัสนาสัมมาทิฏฐิอ่านะถามว่าวิปัสนาตรงนี้เนี่ยระดับตีรณะขึ้นไปแล้วนะสี่มัคคสัมมาทิฏฐิห้าผลสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะานต้นมองเห็นแสงสว่างอะไรเป็นผลของกรรม เขาคิดไหมทำไมเนี่ยเออเนี่ยกลางวันเนี่ยแสงสว่างมองเห็นแสงสว่างเอาใหม่นะหลอดไฟมันนี่ไปมองนี่สว่างสว่างมองเห็นใช่ไหมอะไรเป็นผลของกรรมดูว่าจะมีกรรมสกตาะสมาทิฏฐิหรือเปล่าเดี๋ยวนะมองเห็นเลยเนี่ยโหสว่างอะไรเป็นผลของกรรมอ่างงเลยนะเออเนี่ยเอาใหม่แล้วกัน มองเห็นข้างหลังคุณหมอ่าลบอะไรเป็นผลข้องกรรมอ่าอะไรเป็นผลข้องกรรมออะมองเห็นนะอะไรเป็นผลข้องกรรมอ่ะก็ทำกรรมดีนะคะก็ัรงีไม่รู้แย่แล้วคันนี้ัวผลนะตัวผลผลของกรรมเหรอคะก็ได้นั่งอยู่นก็บิบารดีแน่แล้วได้ทำกรรมอีกอะไปได้กันนะไปยังไงอะอาคนอื่นมื่อกี้แล้วห้องก็จะเตรียมหมดแน่งานนี้ อันน่ะเฮ้ยสีหรอเสื้อไม่ได้เป็นผลของกรรมนะเสื้อเป็นผลของโรงงานอะไรเป็นผลของกรรมของคุณหมอลบหรอคะเอาอคุณน่แหละของคนมองเห็นของคนเห็นนี่แะอะไรเป็นผลของกรรมอโอ้โหวิบากดีมาชาติปางก่อนอะไรคือวิบากวิบากคือผลกรรมที่ทำแล้วเออใช่อะไรอ่ะที่ว่าอะไรองค์ธรรมสภาวะคืออะไรสภาวะ ตาม่บากตาเห็นก็จิตเกิดสิครูปอ่านนะก็คือถ้าถ้าศึกษามานะไม่น่าลืมสูตรเลยนะสูตรเขาง่ายๆอะไรอาศัยจากครูกับรูปเกิดจากคูวิญญาณใช่ไหมเออจาสูตรเนี่ยนะเวลาเขาพูดถึงเรื่องนี้รล่สูตรเลยจากครูกับรูปเกิดจากคูวิญญาณธรรมสามอย่างเป็นภาษาจิตเห็นเป็นผลของกรรมจากครูภาษาท่เป็นผลของกรรม ภาษะเป็นผลของกรรมเวทนาเป็นผลของกรรมพอรับรู้ น, นะชาวนะที่รับรู้ก่อนเป็นมนโนกรรมทํากรรมใหม่ถ้าพูดเป็นวจีกรรมการยืน่นมือขยับมือเป็นต้นเป็น<ไ>กายกรรมก็ส่วนหนึ่งเป็นผลของกรรมแล้วก็ทํากรรมใหม่ไอ้ระหว่างทํากรรมใหม่นี่นะถ้าทําด้วยโลภะเป็นกิเลแสแทรกด้วยถ้าทําด้วยโทสะมีกิเลแสแทกด้วยถ้าทําด้วยโมหะก็แทรกด้วยถ้าไม่มีโลภะโทสะโมหะก็เป็นแต่กรรม ไม่เป็นกิเลสดองั้นกรรมกิเลสก็จะเป็นไปทีนี้กรรมที่ว่าเนี่ยนะสมมติว่าจิตเห็นเป็นผลของกรรมผลของกรรมใช่ไหมเหตุนี้มาจากเมื่ อ, อไหร่เหตุบ า, บางอย่างทิทธ่ธรรมะเวทนิยะเป็นผลของเจตนาในชาตินี้นี่แหละอนะเรียกว่าทิฏฐธรรมะเวทนิยะวิบากนะเพราะเจตนาในชาตินี้มาให้ผลอวิบากอันนี้เรียกว่าทิฏฐธรรมะเวทนิยะววิบาก ถ้าชาติที่แล้วเหตุคือชาติที่แล้วมาให้ผลนี้เป็นอุปชาเวทนิยวิบากถ้าดูอถอยหลังไปลหลายๆชาติไปอีกอันนี้เป็นอัปราปริยะเวทินิยวิบาตวิบัตที่เกิดขึ้นนะเป็นผลของเจตนานา น, า น, านๆอย่างนู้นทีนี้เจตนาที่ทําใหม่ละ่ะเจตนาที่มอ ง, มองเห็นนึกคิดพูดทําทั้งหลายเนี่ยเจตนานี้ให้ผลชาตินี้ได้ถ้าอันนี้เรียกว่าทิฏฐธรรมถ้าให้ผลชาติหน้าเป็น อุปชาเวทนิยกรรมให้ผลในชาติที่สามเป็นนู่นไปเรียกว่าป ร, ปราปริยะเวทนิยกรรมพตอะนั้นไอ้ตัวนี้วิบากส่วนหนึ่งอันนี้ส่วนหนึ่งของกรรมแล้วกรรมกับวิบากอะไรเป็นตัวเชื่อมกันไว้อะให้กรรมมันให้ผลผลมีเป็นเหตุเป็นผลสืบเนื่องอะไรเป็นตัวประสานไว้อัะนนะัตันหาเป็นตัวประสานไว้เนี่ยนะประสานพบกับพบประสานอะไรคติไว้กับคติประสานกําเนิดไว้กับกําเนิดเนี่ยนะเป็นตัวประสานไว้ฉะนั้นคุณไม่หลุดง่ายๆ อ่าใช่ประสานไว้ ข, ไวข้างใครข้งตันหาฮะอยู่ในฝ่า ย, หยไหนเนี่ยอดีตกับปัจจุบันก็คือตันหาที่นําเกิดเนี่ยน ะ, ะ, ะ, ะก็ตันหาตอนนี้นี่แหละจะว่าไปถ้าตอนนี้สิ้นตันหานะก็ไม่นําเกิดแต่ตันหาเนี่ยนะมันก็ไปหาบริขารมันตันหาก็ไปดึงเอากรรมเนี่ยมาให้ผลเพราะฉะนั้นกรรมที่คุณทําไว้เมื่อแสนโกรธกลับที่แล้วก็มาให้ผลได้ เพราะมีตันหานี่นะยังเป็นตัวประสานมาเพรา ะ, ะกรรมทั้งหลายเป็นบริขารของตันหาเป็นบริขารของตันหาก็ชีวิตนาเนินไปในสังสารวัตเป็นไปแบบนี้แหละอันนี้แหละสัมมาธิทฐิอันดับแรกเรียกว่ากรรมมัสคตาสั ม, มาธิฏิทีนี้ถ้ามันสูงไปกว่านั้นอีกชานชานก็ไม่พูดถึงหน้าที่นี้นะเพราะเมื่อคืนว่าไปแล้ว <c oughs> ทีนี้เอาวิปัสสนาสัมมาทิฏิถามว่าแค่ไหนจึงจะเรียกว่าวิปัสสนา วิเนี่ยแปลว่าแจ้งปัสนาเนี่ยนะแปลว่าการเห็นการเห็นแจ้งเห็นแจ้งโดยความไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นแหละชื่อว่าวิปัสนาเนี่ยนะมันดูได้ในธรรมสังคีณีอัตถกาฐานะอัถสารีนีจิตตุปาทกันอธิบายคําว่าปัญญาอธิบายคําว่าปัญญีนีเป็นต้นเนี่ยนะมีคําอยู่คำหนึ่งว่าวิปัสนาวิปัสนาคือการเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นเองนไ ก็เห็นว่ากรรมที่ทําในอดีตมันก็หมดแล้วในอดีตมันมันสิ้นไปแล้วในอดีตว mm ิบากที่เกิดขึ้นก็จะมีอยู่แค่เนี้ยมันจะสิ้นไปในที่ตรงนี้แหละกรรมที่กําลังทํามันก็หมดอยู่ตรงนี้นผลของกรรมที่จักมีขึ้นก็จะไปหมดในในที่นั้นๆแต่ไอที่ไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลอยู่ตลอดนะไม่เที่ยงบางอย่างเป็นเหตุไม่เที่ยงบางอย่างเป็นผลไม่เที่ยงบางอย่างเป็นทุกข์สัตย์ไม่เที่ยงบางอย่างเป็น สมุทัยสัตว์ไม่มีเที่ยงแต่เป็นไปตามปัจจัยอยู่อย่างนี้ตลอดเวละถ้า แ, แต่ต้องมันแยกจริงๆรนะถ้าไม่แยกก็สัมมาทิฏฐิเกิดไม่ได้ถ้าสัมมาทิฏฐิไม่มีสัมมาสังกัปปะก็เป็นอันตกถ้าสัมมาสังกัปปะตกสัมมาวาจาก็ตกเพราะว่าวิตกเนี่ยเป็นเหตุให้พูดนั้นวาจานั้นก็ไม่ใช่สัมมาวาจาถ้าวาจาไม่ค่อยดีนะกรรมมันตะก็ไม่ดีถ้ากรรมมันตะกายวาจาไม่ดี อาชีพก็ไม่ดีไปตามนั้นแหละถ้าอาชีพไม่ดีไอ้ที่เพีย น, นนั้นอ่ะเป็นมิจฉาวายามะไอ้ที่รับรู้มาละลึกได้จําได้อันนั้นเป็นมิจฉาสติหมดเลยที่สงบนั้นเป็นมิจฉาสมาธิเพราะถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามองค์มรคแล้วจะเดินทางทสายเอกได้อย่างไรเนี่ยนะชื่อว่าเดินตามเอกายนามรคได้อย่างไรเพราะคําว่าเอกายญามรคเป็นชื่อของโพธิปักจยธรรม เนี่ยนะสติปทานสมมติปทานอิทิบาทอินทร์พละโพชองและอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปเรียกว่าเอกายนมัมมรคถ้าไม่เดินตามเอกายนมัมมรคไม่ได้เดินตามโพธิปักขยธรรมคนนั้นก็ห่างไกลาจากพระาศาสนาแล้วห่างไกลาจากพระพุทธเจ้าเลยจริงๆเนี่ยนะห่างจริงๆไม่หา่างไม่เห็นกันเลยไม่เคยเห็นเลยว่างั้นมันรู้เป็นยังไงอ่ะเนะ่ยอ สัตว์โลกว่างั้นเถอะเป็นโลกที่มืดเป็นโลกที่บอดเป็นโลกที่ไม่มีจักสุว่างั้นเลยนะมีนะในมหากรุณาสมาบัติญาณในเวลาพระองค์เจริญกรุณาต่อสัตว์เนี่ยนะสัตว์โลกเนี่ยนะเป็นโลกมืดโลกบอดเป็นโลกที่ไม่มีจักสุเป็นโลกที่ไม่มีแสงสว่างถ้าเราไม่เปิดแสงสว่างให้โลกแล้วใครจะเปิดให้ว่างั้นนะผมก็เจริญกรุณาก็เลยทําให้พระองค์ขยันเทศใหญ่เลยนะขยันแสดงธรรมนะกรุณากระตุ้นเตือนว่างั้นเถอะนะให้แสดงธรรมนะถ้าพระองค์ไม่ให้แสงสว่างแล้วใคร จะได้ทีนี้ของเราถ้าเราไม่อา่านไม่ฟังแล้วใครจะมาอา่านมาฟังให้เราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ควรกรุณาเราบ้างนะพระพุทธเจ้าการุณาเราเต็มทีแล้วเทพเป็นพระไตรปิฎกเราก็บอกมากไปว่าไปนั่นดีก่กนะันนะพระไตรปิฎกก็เยอะไปเทพก็บอกโอ้ยมันต่างต่างสิบกมุ่นร้อยมุ่นมากไปมา้เอาง่ายๆนะทีนี้นะว่าอมีในข้อความในสังคาติสูตรนะ ในอิติวุตกะพระองค์ตรัสว่าดูความภิกษุทั้งหลายแม้หากว่าภิกษุจะพึงจับชายสังขาติของเราติดตามไปข้างหลังข้างหลังย่างเท้าตามไปทุกๆุ ก, ก้าวผู้ที่มีคุณธรรมอย่างที่ว่าไปเนี่ยนะคือไม่มีคุณธรรมในสายเดียมีแต่คุณธรรมที่เร็วๆนะถึงแต่ติดตามไปทุกก้าวอย่างนี้แต่ภิกษุนั้นเป็นผู้มอบไปด้วยอภิชฌามีราคะกล้าในกามทั้งหลาย มีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งใจเสียมีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตฟุ้งซ่านมีอินทรีย์ปรากฏคือไม่สัมรวมอายตนะเนี่ยนะเธอย่อมเป็นผู้อยู่ห่างไกลเราและเราก็อยู่ห่างไกลเธอโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเพราะพิกษุเหล่านั้นไม่เห็นธรรม เมื่อไม่เห็นธรรมก็ชื่อว่าไม่เห็นเราจริงอยู่บุคคลตามที่ได้กล่าวแล้วถ้าแม้ถ้าจะพึงเป็นผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสำนักของพระศาสดาในเวลาเย็นและในเวลาเช้าพิษสุเหล่านั้นจะควรกล่าวว่าอยู่ในสำนักของพระศาสดาด้วยเหตุเพียงเท่านั้นก็หาไม่ได้คือไม่ได้อยู่สักดแต่ว่ารูปปกายเฉย แม้ภาษาสดาก็จะควรกล่าวว่าประทับอยู่ใกล้พิกษูเหล่านั้นก็หาไม่ได้เช่นเดียวกันพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าพระอรหันต์พระอัฏาว่าทรงอยู่ไกลคืออยู่ห่างอสัตบุรุษทั้งหลายด้วยประการชนี้ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ไว้ว่ า, วานารชนใดมีอัตยาสายเลวไม่ปฏิบัติชอบ พระผู้มีประภาพประทับอยู่ไกลคืออยู่ห่างจากนรชนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นจึงได้รับขนานพนามว่าพระอระหันต์เนื่องจากอยู่ไกลคนเลวทั้งหลายนั่นเองเนีย่ยนะแล้วข้อความในคาถาประพันธ์ว่าบุคคลผู้มักมากมีความคับแค้นยังเป็นไปตามตันหาดับความเร้าร้อนไม่ได้แม้หากว่าพึงเป็นผู้ติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้หาความหวั่นไหวไม่ได้ผู้ดับความเร่าร้อนได้แล้วไซบุคคล น, นั้นผู้กำหนัดยินดีเชื่อว่าเพิ่งเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากความกำหนัดยินดีเพียงในที่ไกลเท่านั้นว่างั้นเถะเรียกว่าเห็นแต่ไกลไกลว่างั้นเถะนะที่เห็นก็เห็นสีนะไม่ได้เห็นคุณธรรมอะไรของพระองค์หรอกไม่ได้เห็นพระบริสุทธิ์ที่คุณไม่ได้เห็นภาพปัญญาที่คุณไม่ได้เห็นพระกรุณาที่คุณอะไรเห็นแต่รูปอารม์ว่างั้นเถะนะ รูปารมณ์เฉยนี่น ะ, สะแสดงว่าน่าเห็นใจจริงๆนะเพราะว่าสัตว์ในภพอื่นเขาก็เห็นนะถ้าเห็นด้วยตาเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้ย้อนไปที่ข้างบนอีกครั้งว่าดูกรพิสุทั้งหลายแม้หากว่าพิสุจะพึงจับชายสังฆาฏินเนี่ยนะว่าเดินตามไปทุกเก้าทุกเก้าทุกเ ก, ก, ก้าไม่คลาดสายตาเลยนะแต่พิสุนั้นเป็นผู้มมากไปด้วยอภิชานะคำว่าอภิชานี่เป็นชื่อของอะไรองค์ธรรมได้แก่ โลภนะลเนี่ยนะถ้าโลภะเนี่ยคิดอย่างไรจึงเป็นโลภะคิดยังไงกับอารมณ์จึงเป็นโลภะคิดว่าอารมณ์นั้นดีอารมณ์นั้นงามเป็นต้นเนี่ยนะการคิดแบบนี้ปรารบแบบนี้เป็นโลภะเนี่ยนะอันนั้นก็เรียกว่าจิตที่รับอารมณ์แบบนั้นเรียกว่าอภิชาอันนั้นเป็นสมุทัยสัตว์นะแล้วก็มีราคะกล้าในการมทั้งหลายก็คือปรารถนาวัตถุ ก, การมยิ่งยิ่งขึ้นไปปรารถนารูปเสียงเกลื่อนโรดและโพธพาทั้งหลาย มีจิตพยาบาทเนี่ยนะเพราะอาคาตวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ยนะเพรเห็นแล้วโธสะเกิดะนะมีความดําริแห่งใจเสียนะความดําริเนี่ยนะแปลเป็นบาลีว่างไงดําริรแปลว่าวิตกสังกัปปะเนี่ยนะวิตกนี้หรือสังกัปปะอันนี้เป็นชื่อของมิจฉาสังกัปปะได้แก่กามมวิตกอย่างหนึ่งสองพยาบาทวิตกสามวิเหิงสาวิตกเนี่ยนะมีสติหลงลืม สติหลงลืมก็คือคนที่ปล่อยจิตให้เป็นไปกับกามทั้งหลายนะีปล่อยใจให้เป็นไปกับรูปที่น่าปราะทับน่าใคร่น่าพอใจเนี่ยนะชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดถ้าติดตามเพลิดเพลินไปในรูปนั้นนะ่ะลักษณะนั้นเรียกว่าคนหลงลืมสติแล้วไม่มีสัมปชัญญะทั้ง4ประการเลยนะไม่มีศาสกะสัมปชัญญะในอารมณ์นั้นเลยไม่มี โคจะระสัมปชัญญะไม่รู้สั ป, ปายาสัมปชัญญะและไม่มีอะสัมโมหสัมปชัญญะในอารมณ์นั้นนะนะแล้วก็มีจิตไม่ตั้งมั่นแสดงว่าสัมมาสมาธิไม่มีนะมีจิตฟุง้งซ่านด้วยอุทะจาก็เป็นไปกับอกุศลแล้วก็ไม่สารวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะคนแบบนั้นอนะ่ะห่างไกลพระ อ, องค์ห่างไกลพระ อ, องค์ผู้เป็นพระอรหันเนี่ยนะผู้กําจัดข้าศึกคือกิเลสเป็นต้นเนี่ยนะ ห่างไกลพระองค์ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห่างไกลาจากพระองค์ผู้ผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะและโดยธรรมดาพระองค์ก็ไกลาจากภิกษุแบบนั้นอยู่แล้วพออเพราะอะไรเพราะภิสูจนั้นไม่เห็นธรรมเพราะผู้นั้นไม่เห็นอย่างน้อยที่สุดไม่เห็นพระปริยติธรรมอย่างหนึ่งแล้วก็พระปริยัติธรรมเนี่ยเป็นเครื่องชี้ให้เห็นอะไรภาพรปริยติธรรมเนี่ยนะก็เหมือนกับสิ่งที่ชี้นะเหมือนกับป้ายบอกทางนะภระปริยัติธรรมนะ ค่าที่เป็นจริงของภาพปริยัติธรรมคือป้ายบอกทางโชี้โลกุตระธรรมถ้าไม่เห็นโลกุตระธรรมนั่นแหละเรียกว่าไม่เห็นธรรมเมื่อไม่เห็นธรรมก็ไม่เห็นพระองค์เนี่ยนะเพราะพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทำโลกุตระธรรมให้แจ้งนะใช่ไหมพระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเมื่อพระองค์แจ้งในโลกุตระธรรมแล้วจึงเป็นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันคนที่ไม่เห็นธรรมก็ไม่เห็น พระองค์ถ้าไม่เห็นพระองค์ก็ก็บอดอยู่แลว้วอ่ะนะเป็นโลกมืดโลกบอดเป็นโลกที่ไม่มีจักษุถามว่าไม่มีจักษุไม่เห็นที่สุดแม้แต่กรรมและผลของกรรมเนี่ยนะไม่เห็นผลของกรรมซึ่งเป็นทุกข์สัตว์ไม่เห็นตัวกรรมและตัณหาที่เป็นเหตุแห่งกรรมซึ่งอยู่ในฝากฝ่ายแห่งสมุทัยศัสต ร, ร์เมื่อไม่เห็นกรรมและผลของกรรมเขาจะดับทุกข์ได้แต่ที่ไหน เขาจะคิดข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกได้อย่างไรเขาจะสนใจข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุก์ได้อย่างไรถ้าไม่รู้กรรมและ<อ>ผลของกรรมเนี่ยนะเพราะว่าผลของกรรมนั่นแหละอยู่ในฝักายแห่งทุกขสัตว์พบไหนที่ไม่ใช่ผลของกรรมบ้างไม่มีนะเขาคําว่าพบเป็นชื่อของวิบากและกรรมมชรลปทั้งหลายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพบทุกพบก็คือผลของกรรมอันนะั้นเพราะนั้นพบทุกพมีสมุทัยเป็นแดน เกิดหมดเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเห็นพบสามเหมือนถูกไฟไหม้นะเห็นกองตันหาซึ่งเป็นเหตุให้ไปสู่พบนั้นนั้นเหมือนหลุมฐานเพลิงนะแล้วมีจิตตั้งมั่นในสติปฐานเป็นต้นเนี่ยนะนั่นแหละคือกําลังของพระอรหันต์ทั้งหลายนะพระอรหันต์ทั้งหลายมีกําลังเหล่านี้นีคือเห็นพบสามเป็นต้นหรือเห็นสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นต้นเนี่ยคล่องเห็นตันหาที่เหมือนกับหลุมฐานเพลิง แล้วก็มีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานเป็นต้นอันนี้เรียกว่ากำลังของพระอรหันต์เรียกว่าขีนาสวะพระเจดเนี่ยนะกำลังของพระอรหันต์เจประการนะนะพูดถึงว่าพิกจุผู้มีคุณสมบัติเหล่านี้นะครับหนึ่งอินทรีอินทรีก็ใหม่สำรวมจิตก็มีแต่อุทจัจจานะสัมปชัญญะซีก็ใหม่มีจิตก็ประกอบไปด้วยแต่สกุศลวิตก อย่างนี้ผมเชื่อว่าพระพิสูจองค์นี้ไม่กล้าเข้าไปอฝ้าพระพุทธเจ้าโดยระเบียบมันต้องเข้าไปทีถึงที่ประชุมเหมือนกันมีนะมีอยู่ครั้งหนึ่งประมาณพรรษาที่ยี่สิบไปแล้วเนี่ยนะเป็นวันอุโบสถทีนี้พอเป็นวันอุโบสถเนี่ยนะมีพิสูจนรูปหนึ่งเป็นอบัตปาราชิกอยู่ในนั้นรูปหนึ่งผิดศีลเนี่ยนะพระพุทธเจ้าไม่แสดงอุโบสถเลยเพราะปกติเนี่ย พระองค์จะแสดงโอวาทปาติโมกทุกๆวันสิบห้าวันเนี่ยพระองค์จะแสดงสัปะ ป, ปาภาษาการนังกุสละสูปัสสัมปดาเนี่ยพระองค์จะแสดงทุกๆสิบห้าวันทีนี้พอพิสูรรูปนี้มานั่งอยู่เนี่ยบริษัทไม่บริสุทธิ์พระองค์ก็เลยไม่แสดงนิ่งปฐมยามผ่านไปก็เลยสี่ทุ่มไปแล้วเนี่ยคนนั่งนิ่งกัน ท, ทั้งหมดเลยมีใครพูดสักคำภานนก็เรียนบอกพระบอกตอนนี้ปฐมมายามล่วงไปแล้วพระเจ้าค้าเพรางั้นพระองค์เงียบนั่งไปอีกสี่ชั่วโมง อตอนนี้มัดชิมยามผ่านไปแล้วพระเจ้าค่ะพระ อ, องค์เงียบไม่ว่าใกล้จะสว่างแล้วนะบอกตอนนี้ปชิมยามจะล่วงแล้วพระเจ้าค่ะเหมือนกันเสร็จแล้วพระองค์ก็บอกว่าบริษัทไม่บริสุทธิ์เหมือนกันพโมคลานะตรวจเลยสองจิตอ้าวอง์นี้เนี่ยบอกอาวุโสออกไปเถอะพระพุทธเจ้าเห็นท่านแล้วเหมัอนกันเฉยพระองค์นั้นน่ะนะทําเป็นทองไม่รู้ร้อนกันนั่งเฉยเดี๋ยวพระโมคละเลิกพูดเองเหมือนกันคิดในใจนะเสร็จแล้ว โมคลานะ่าก็พูดสามครั้งไม่ลุกไปจับแขนดึงออกไปนอก ว, วัดเลยแล้วล็อกประตูลันดานเลยนะนนเสร็จแล้วก็เข้ามาเพราะพระพุทธเจ้าเขาบอกแหมมันน่าอาัศจรรย์จริงๆว่าอัศจรรย์แบบพูดแบบมินนะนะแบบตำหนินะไอคำว่าแม่น่าอาัศจรรย์จริงๆบางทีเป็นคําชมนะบางทีเป็นคำำนําตําหนินะนะเขาบอกโอ้โหน่าอาัศจรรย์จริงโมฆะบุรุษเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นน่าอาัศจรรย์แบบตําหนิผมก็ตําหนิ เสร็จแล้วก็พระองค์ก็แสดงถึงว่าความอัศจรรย์ของทะเลแปประการอ น, นะแล้วก็ความอัศจรรย์ในธรรมวินัยนี้8ประการมีอยู่ข้อหนึ่งว่าธรรมชาติของทะเลไม่อยู่ร่วมกับซากศพชั้นใดเนี่ยนะถ้ามีศพปุ๊บต้องพัดออกพัดขึ้นพัดออกพัดออกจากทะเลเลยชันย้นใดธรรมดาธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะพอผู้ที่ไม่มีศีลเป็นต้นเนี่ยพิสูจทั้งหลายจะช่วยกันกําจัดออกจากคณะนั้นนั่น เว้นไว้แต่คณะเดียวกันน่ยนะกลุ่มเดียวกันน่ยนะก็เว้นไปอย่างแต่ถ้ากับคณะคนมีศีลจริงๆเขาจะกําจัดออกเนี่ยนะแล้วก็บางสูตรเนี่ยเขบอกว่าจงกําจัดสมณะแกลบเป็นต้นเนี่ยนะสมณะอยากเยื่อออกไปแบบนั้นก็มีบางสูตรเพราะฉะนั้นพระอริยะทั้งหลายเนี่ยนะแม้แต่อริยะสองทั้งหลายก็ไม่คลุกคลีปะ ป, ะปนกับผู้ที่ไม่มีไม่มีคุณธรรมอยู่แล้วเนี่ยนะมันพระมหากระสปารเนี่ยท่านแปลงอุทานเหล่านี้ออกมานี่ก็ดูซาบซึ้งหนิมันะ เพราะฉะนั้นผู้ที่คุณธรรมไม่ดีก็เท่ากับเสื่อมจากพระศาสนาแต่มันเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าถ้าเขาเสื่อมจากคําสอนเลยแล้วเมื่อไร่อีกเหมัอนันเถะคล้ายๆกับพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์บอกว่าเหมือนนาวาเหมั้นที่ที่ท่านบอกพระราหูบอกลูกนะขอให้ลูกช่วยเป็นนาวาของพ่อพ่อจะได้ช่วยรื้อขนสัตว์เนี่ยนะให้พ้นจากสังสารทุกเนี่ยนะที่ ท, ท่านบอก ก, บกับกันหาชาลีใช่ไหมขอให้ช่วยร่วมสร้างบารมีให้พ่อช่วยให้ ต่อเรือให้พ่อทีให้พ่อเสร็จเนี่ยนะพ่อจะขนเทวดาและมนุษย์ให้พ้นสังสารวัตทีนี้มาเจอเรือแล้วก็มาช่วยกันเจาะเรือทำลายเรือเนี่ยนะข้างหลังเขาไม่รับสมัครแนะ่พนักงานแบบนี้นะเขาไม่ให้ติดตามเรือเข้าไปหลอกเสียหมดเพราะฉะนั้นอย่าช่วยกันทําลายเรือเลยนะอย่างไรก็ช่วยรักษาช่วยดูแลก็แล้วกันก็ว่าชื่นชมเรือลํานี้เรือสำเภาคือคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคำว่าเรือเป็นชื่อของอารยมรรคท่ามีจิตศรัทธาเลื่อมสายก็เป็นกุศลแล้ว กศลเหล่านี้นี่แหละเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยเป็นฝักฝ่ายแห่งความพ้นทุกข์ในยุคต่อๆไปอีกเนี่ยนะถึงข้ามท่านี้คือในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ยังข้ามไม่ได้เนี่ยนะก็รอพระศีอริยะเมตไตรก็แล้วกันถ้าพระศีอานไม่ไปไม่ได้ก็รอท่าพระเจ้าเประเสันที่โกศลก็แล้วกันพระเจ้าเปรสันที่โกศลมาเนี่ยก็รออสุรินทาราหูรอโน่นนั้น ช้างนาลาคิริงก็ได้รองนู่นอ่ะมาราธิราชก็ได้รองด่ะ น, นะหมดเวลาแล้วนะ